ขอนอบน้อมพระธรรมก้าวคือมรซีผลซีพระนิพพานหนึ่งพระไตรปิฎกแปดหมื0น0พันพระธรรมขันธ์ขอนอบน้อมภาริยาทรงเจ้าทั้งหลายด้วยความเคารพเอื่อเฟื้อขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ผู้ประพฤติปฏิบัติทั้งหลายเนีเราได้ประพฤติปฏิบัติเจริญกรรมฐาน กันไปแล้วหนึ่งประมาณหนึ่งชั่วโมงเป็นยังไงรู้สึกทำได้ดีขึ้นไหมปรารถนาที่จ ะ, จะเจริญกรรมฐานให้มากกว่านี้ <c oughs> ไหมเข้าไวไหมเวลาเดิน <c oughs> <c oughs> เวลาเกิดนั่งแล้วมันเมื่อยแล้วเวลาลุกขึ้นไปเดินเนี่ยในขณนะเดินเนี่ยสามารถที่จะอยู่กับลมหายใจเข้าแล้วออกได้ชัดไหมสามารถอยู่ได้ยังเริ่มคุ้นเคยกับลมได้ ย, ยังวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้ววันที่สองแล้วเนาะเริ่มหรือยังเริ่มคุ้นเคยกับลมบ้างยางเอ่อ ที่แรกว่าจะแสดงทาแต่พอดูปัญหาแล้วสองปึ้งใหญ่เลยเนี่ยเออดีพวกเราเข้าใจถามปัญหากันดีเนาะขยันถามกันดีจังถามบอกว่า ขอเรียนถามว่าทานเนื้อสัตว์ถือเป็นการผิดศีลข้อที่หนึ่งห้ามจากการฆ่าสัตว์หรือไม่ให้ถามบัรณาเรื่องศีลแลวอีกข้อหนึ่งถามบอกว่าถ้าคุณพ่อไม่สนับสนุนให้มาปฏิบัติธรรมก็เลยโกหกว่าจะไปเที่ยวแต่แท้จริงแล้วมาปฏิบัติธรรมจะผิดศีลข้อมุสาหรือไม่ ทำอาหารน่ารักดีจัง <c oughs> เ่อาการทานเนื้อสัตว์เนี่ยถามว่าผิดศีลข้อที่หนึ่งหรือไม่เนี่ยอันนี้หลักเกณฑ์ในการศีลข้อที่หนึ่งเนี่ยมีว่าหนึ่งสัตว์มีชีวิต สองรู้ว่าสัตว์มีชีวิตส ม, มีจิตคิดจะฆ่าสี่ทำความเพียรเพื่อฆ่าห้าสัตว์นั้นตายลงเพราะความเพียร น, นั้นมีหลักการตัดสินนี้ถ้าผิดครบกรรมบทนะการฆ่าการกินเนื้อสัตว์เนี่ยประเด็นมันอยู่ว่าเออเราได้ไปสนับสนุนให้เขาฆ่าหรือไม่ปกติสัตว์มันก็มันก็ตายอยู่แล้วใช่ไหม โดยถ้าอย่างนี้มันไม่ได้เป็นนะคือปกติเขาก็มีการฆ่าสัตว์กันอยู่แล้วเมื่อมีการฆ่าสัตว์กันอยู่แล้วเนี่ยสิ่งที่เราไปกินเนี่ยก็กินสิ่งที่มันตายแล้วแต่ถ้าหากเราไปชี้ว่าเอาเนี่ยจงฆ่าตัวนี้มาเนี่ยแล้วเราจะเอาไปทําอาหารกินเนี่ยกรณีอย่างเงี้เป็นบนาณนดิบาต์นั้นตรงนี้ก็ต้องดูด้วยนะว่าโดยหลักการโดยทั่วๆไปลหลายๆคน มักไปจับประเด็นว่าการกินเจเนี่ยถือว่าศีลข้อที่หนึ่งบริสุทธิ์มากที่สุด <c oughs> ในอามาคันทสูตรมีอยู่เรื่องหนึ่งก็คือว่ากลุมรร่มฤาษีที่ประพฤติกันอยู่ในป่าเนี่ยจะถือกินผลไม้รากไม้กันกินใบไม้กินผลไมก้กแล้วก็กินสิ่งทั้งหลายที่ไม่ไม่เกี่ยวข้องกับชีวิต ลือีกลุ่มนี้เขาเรียกอามาอามาคันทฤาลีเนี่ยก็ถือว่าเขาหลังเกลิจกลิ่นดิบเขาถือว่าการกินเนื้อสัตว์เนี่ยเป็นคือการไปส่งเสริมการฆ่าและเป็นเหตุแห่งการเป็นบาปอย่างมากว่างั้นเถอะที่อยู่ต่อมาในยุคนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาในตัสรุณุทัศนสัมมาสัมพุธิยาณก็ประกาศพระธรรมกลุ่มฤือีกลุ่มนี้พร้อมด้วยบริวารเนี่ยมีฤทธิ์มากด้วย ก็ไปเมื่อไปเจอพระเจ้าสิ่งที่คําแรกทศฤิษีเหล่านี้ถามก็คือว่าท้าวท่านบริโภคกลิ่นดิบหรือไม่ก็แปลว่าท่านบริโภคเนื้อบริโภคปลาหรือไม่พระพุทธเจ้าก็เลยต้องแก้ปัญหาว่าสมณะสากยะบุตรหมายถึงพระเจ้าก็ดีสาวกของพระเจ้าก็ดีเนี่ยไม่ใช่นักฆ่าแต่เมื่อชาวบ้านเขาเป็นอยู่กันอย่างไรเนี่ยเล็กติโกติปริสุทธิมังสา หไม่ได้เห็นไม่ได้เห็นเขาฆ่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้รู้ว่าเขาที่จะฆ่ามาให้กับตนเองหรือไม่เกิดรังสงสัยว่าท่านวันนี้ไปฆ่ามาเพื่อตนเองเป็นต้นเหล่านี้อันนี้ไม่เรียกว่าเป็นการส่งเสริมเพราะโดยปกติเนี่ยประชาชนเนี่ยเขาก็ฆ่าอยู่แล้วในกลุ่มนี้เขาฆ่าสัฉะนั้นสมนาสากยบุตรเนี่ยสาวกพทะเจ้าเนี่ยชาวบ้านเขากินอย่างไรก็อนุวัตตามเขาแบบนั้นแหละ โดยที่บอกว่าบรรปชิตควรพิจารณาเนืองๆว่าบัดนี้เรามีเพศต่างจากเครือขันแล้วอาการกริยาใดๆของสมณะเราควรทำอากับกริยานั้นๆบนรรปชิตควรพิจารณาเนืองๆว่าความเลี้ยงชีวิตของเราเนื่องด้วยผู้อื่นเราจงทำตนให้เขาเลี้ยงง่ายก็แปลไม่ใช่ไปสั่งเขาบอกว่าอย่างงี้ตะมาไม่ฉันนะคุณต้องไปทาผักมาให้ตมา คุณต้องไปทำเนื้อใ้ม่แตมาไม่ใช่กิจของสมณะที่จะไปชี้บอกเขาอย่างนั้นส่วนที่ชาวบ้านเขากินกันอย่างไรเมื่อเขามีอย่างนั้นเข้ามาให้เราเราก็รับไปแต่ประเด็นมันอยู่ตรงว่าพุทธเจ้าบอกว่าเนื้อและปลาไม่ใช่กินดิบแต่ราคาคือความกาหนัดต่างหากคือกินดิบเนื้อและปลาเป็นต้นไม่ใช่กินดิบแต่โทสะคือความโกรธความเครียดต่างหากเป็นกลิ่นดิบ เนื้อและปลาไม่ใช่กลิ่นดิบแต่ความบอดความหลงความมืดมนทั้งหลายที่เป็นโมหะต่างหากเป็นกลิ่นดิบเข้าใจใช่ไหมราคาโทสะโมหะกิเลสอกุศลธรรมอลามกทั้งหลายเหล่านี้เขาเรียกเป็นกลิ่นดิบเพราะมันโสกปกมันสกปกกว่าเนื้ออีกอย่างนี้เป็นต้นสรุปตรงนี้ที่ถามว่าทานเนื้อสัตว์ถือเป็นการผิดศีลข้อที่หนึ่งหรือไม่ต้องบอกว่าที่เรากินเนี่ยเราไปสั่งในข้าวค่าหรือไม่ยกตัวอย่างเช่นเราไปที่ร้านอาหาร ใช่ไหมมันมีปลาวิ่งไวววิ่งมาอยู่แล้วก็ไปชี้ไอตัวนี้รู้สึกแข็งแรงดีบางทีมันจะมีกิจกรรมแบบนี้นะกิจกรรมก็ไปในร้านอาหารแล้วก็ไปตกเบ็ดตกปลากันเนี่ยตกตัวไหนได้ก็ตัวนั้นไปฆ่าเคยเห็นไหมเคยไปเคยไปกินอาหารแบบนี้ไหมพวกเราเคยไปไหมไม่เคยใช่ไหมหรือบางทีก็เอาตัวที่แข็งแรงที่สุดตัวไหนแข็งแรงก็จะฆ่าตัวนั้นแล้วเพราะกินแล้วจะได้ทาให้แข็งแรง ถ้าอย่างเงี้ยเป็นแต่ได้กรณีที่เขาฆ่ากันอยู่แล้วนี่ไม่เป็นคุณพ่อไม่สนับสนุนให้ไปปฏิบททัติธรรมก็เลยโกหกก็จะไปเที่ยวเนี่ยแล้วก็มาปฏิบททัติธรรมอันนี้จัดว่าเป็นมุสาวาทหรือไม่คือหลักการมุสาวาทเนี่ยนเนียดูอย่างนี้ที่จริง ที่จริงหลักการจะถามว่าที่พ่อไม่สนับสนุนให้ไปปฏิบัติธรรมเนี่ยเออดูอย่างนี้ก็แล้วกันว่ากรณีแห่งการกล่าวเท็จเนี่ยยกตัวอย่างเนาะเด็กเราจะขับกล่อมให้เด็กนอนหลับเด็กก็ไม่นอนก็บอกว่าเออนอนเสียนะ ถ้าไม่นอนเดี๋ยวต๊กแกมันจะมากินตับนะอ่าเป็นโกหกไหมเพื่อประโยชน์อันเพื่อประโยชน์ให้เขาหลับอันนี้ไม่จัดว่าโมสาวาดนะไม่จัดนะเนี่ยนะจริงๆก็คือเพื่อประโยชน์แก ค, คนนั้นแต่อย่างเนี้ยไม่แนะนำให้พูดว่าไปเที่ยวนะแต่แนะนำว่าไปทุนละแต่ในใจเราเนี่ยนะ ในใจของเราคือไปปฏิบัติธรรมเนี่ยแต่ประเด็นมันอยู่ว่าเวลาเราการปฏิบัติธรรมดังที่ได้กล่าวแล้วว่าอย่าไปคิดว่ามานั่งหลับตานีอย่าไปคิดเพียงแค่นั้นเพราะการปฏิบัติธรรมจริงๆก็คือการปฏิบัติดีต่อคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายก็เรียกว่าปฏิบัติธรรมนะเช่นมีของท่านเลี้ยงเรามาก็เลี้ยงท่านตอบและทํากิจของท่านดํารงวงตระกูลทําตนให้เหมาะสม เมื่อท่านล่วงรับไปแล้วทำบุญอุทิศให้อันนี้เรียกว่าปฏิบัติธรรมแล้วนะมีความรากักความปรารถนาดีควาเ อ, อื้อทนกับท่านเป็นต้นเหล่าเนี้อันนี้คือการปฏิบัติธรรมแต่ถ้าบอกเออต้องการจะมาสวดมนต์ต้องการจะมาเจริญสมาธิหรือวิปัสสนาญาณทั้งหลายเหล่านี้เพื่อจะต้องการจะทําให้มันยิ่งยิ่งขึ้นไปหรือต้องการจะมาฟังธรรมถามว่าที่พ่อไม่สนับสนุนเรื่องการปฏิบัติธรรมเนี่ยมีอุบายเยอะ เราอาจจะหาคนที่มีความรู้ความสามารถในการที่จะชักจูงให้พ่อเกิดความเข้าใจก็ได้หรือไม่อย่างนั้นก็หาตำลับตำลาดใดๆที่มีข้อมูลค่อนข้างดีเนี่ยพยายามไปให้พ่อได้มีโอกาสศึกษาและอ่านแต่ก็ไม่แนะนำนะว่าจะไปพูดจากหน้ามือเป็นหลังมือเพราะหลักการโกหกจริงๆก็คือว่าผู้ที่เราโกหกเขาเสียประโยชน์ด้วยนะ แท้จริงอะทำคาโกหกทั้งหมดเหล่านี้พูดคาดเคลื่อนจากความเป็นจริงก็เรียกว่ามันโกหกแต่มันคบกรรมมาบดหรือไม่ต้องเข้าใจใช่ไหมมันครบกรรมาบทที่จะเป็นเหตุเป็นเหตุแห่งการล่วงอบอายภูมิหรือไม่ตกลงอบอายภูมิหรือไม่หลักการมันอยู่ตรงนั้นที่พูดเนี่ยว่าเขาไม่เสียประโยชน์ก็จริงอยู่แต่หลักการก็คือทําอย่างไรที่เราจะไม่เป็นการล่วงละเมิดแม้แต่คํากล่าวไม่จริงเลยแต่ก็ต้องชาญฉลาดเหมือนคนขายของในยม คนขายของบอกว่าบางคนถือว่าในปัจจุบันเนี่ยถ้าเราไม่โกหกเนี่ยมันขายของไม่ได้ค้าขายไม่ได้แล้วยอมคิดอย่างนั้นไหมยอมคิดว่าทำการค้าต้องโกห ก, ก, หกไหมมันไม่ได้จริงนะคนที่ไปเข้าใจอย่างนี้ยกตัวอย่างเช่นว่าเราทำการค้าเนี่ยเราซื้อมาเราไปต้นทุนเราเนี่ยราคาห้าร้อยเนี่ย จะมีคนมาถามเราว่าราคาเท่าไหร่เราก็มาตั้งราคาใหม่มันไม่ใช่ไปกระทบต่อคําพูดนั้นนะยกตัว อ, อย่างเช่นถ้าเราเขาถามบอกว่าเนี่ยอุ้ยเนี่ยต้นทุนคุนเท่าไหร่เราก็บอกโอมบอกไม่ได้ไอ้คำว่าบอกไม่ได้ไม่ใช่โกหกนะแล้วบอกบอกไม่ได้หลอกเพราะการค้าขายทุกอย่างมันก็ต้องมีกําไร แต่เราก็เพียรพยายามที่จะทําให้ดีที่สุดเราจะไม่เอากําไรมากเกินไปใช่ไหมก็พอเป็นไปได้เนี่ยนั่นเราสามารถที่จะพูดให้เชิงข้อมูลความรู้เขาแบบเนี้โดยไม่ใช่บอกโอ้โนี่นะต้นทุนเรา500รอเราไปบอกว่าต้นทุนเขาต้นทุนมา800รบาทวัตถุประสงค์เราต้องการขาย850บาทอย่างเงี้ยอันนี้มันผิดทั้งนี้มันโกหกเขาจริงใช่ไหมเราก็ไม่จําเป็นต้องไปบอกต้นทุนเขาแต่เราก็ บอกการทำทุกอย่างก็คือมันก็ต้องมีต้นทุนมีกำไรขาดทุนกันทั้งนั้นอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราสามารถรับรู้นี่เป็นหลักเรื่องการปฏิบัตินะถ้าเราสามารถรับรู้ลมหายใจเข้าออกที่จุดสัมผัสได้แล้วเราควรพัฒนาอะไรต่อไปเออถ้าหากว่าสามารถที่จะรู้จุดที่กระทบเข้ากระทบออกได้แล้วสิ่งที่ควรจะทาต่อไปก็คือทาให้ติดต่อทาให้ต่อเนื่อง คำว่าทำให้ติดต่อให้ต่อเนื่องก็คือให้กำลังของสมาธินั้นะนะมีการตั้งมั่นได้ณนะจุดนั้น น, นนะที่ลมกระทบเข้าและกระทบออกนั้นเป็นไปอย่างต่อเนื่องพุทธเจ้าสอนว่าโสสโตวาปัสสติสโตวาอสสตนะิเธอมีสติหายใจออกมีสติหายใจเข้าอันนี้เรื่องต้นคือการรู้เข้าและรู้ออกณนะที่จุดสัมผัสและจุดกระทบนั้นเมื่อสามารถระลึกได้อย่างติดต่ อ, อยางต่อเนื่องอย่างนี้แล้วเนี่ย ก็ต้องดูว่าต่อเนื่องประมาณเท่าไหร่ถ้าสามารถต่อเนื่องไปจะถึงครึ่งชั่วโมงจนถึงชั่วโมงแล้วอย่างนี้แสดงว่าการปฏิบัตินั้นน่ชัดเจนแล้วเมื่อเป็นอย่างนี้ต่อไปในะขยับการรู้ยาวและสั้นทีคังวาปัสะสันโตทีคังวาปัสะสามิติปะชาณาติเป็นต้นหรือว่าทีคังวาอัสสันโตทีคังวาอัสสามีติปะชานาติ เมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าบัดนี้เราใจหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวแล้วก็รัดสังวาเป็นต้นก็คือเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจออกสั้นเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้นเห็นไหมตอนนี้การปฏิบัติไม่ใช่แค่รู้เข้ารู้ออกแล้วทีนี้จะต้องเริ่มพัฒนาต่อไปก็คือรู้ยาวหรือสั้นดังได้กล่าวไว้แล้วยาวหรือสั้นอยู่ที่ไหน ดูที่ไหนดูที่การหายใจช้าหรือเร็วเริ่มรู้หรืยังว่าเราหายใจช้าหรือหายใจเร็วเอ้าใครหายใจช้ายกมือทีช้าใช่ไหมอาใครหายใจเร็วใครยังไม่รู้เลยว่าตนเองเร็วหรือช้ามีไหมยังไม่รู้เลยใช่ไหมมีไหม สรุปก็คือว่าเขาใช้ระยะเวลานี่แหละไม่ใช่ยาวไม่ใช่ยาวคือวิ่งออกไปข้างนอกว่ามันวิ่งไปไกลกี่นิ้วกี่ฟุตไม่ใช่ก็คือใช้ว่าหายใจช้านี่ยเขาเรียกว่ายาวหายใจเร็วนี่สั้นทีนี้เวลาสังเกตดูผู้ปฏิบัติตรงนี้แหละที่จะต้องสังเกตแล้วก็จะต้องใช้กำลังของสติให้มีกำลังมากขึ้นด้วยการที่สังเกตตนเองว่า ลมหายใจออกกับลมหายใจเข้าอันไหนมันยาวมันสั้นกว่ากันก็ให้รู้ด้วยเพราะตรงนี้แหละว่าเมื่อสภาพแห่งการหายใจออกบางคนออกยาวกว่าบางคนเข้ายาวกว่าก็ให้สังเกตว่าจะเป็นบุคคลที่นั่งไม่นิ่งเพราะความไม่สมดุลของลมหายใจเข้าและลมหายใจออกมีอยู่นะแคน้ตรงนี้ก็คือ เมื่อกำลังของสมาธิมีความแนบแน่นมากขึ้นติดชิดกับลมหายใจมากขึ้นติดต่อได้มากขึ้นการระบายลมหายใจออกและก็ลมหายใจเข้าเนี่ยก็จะเริ่มปรับความสมดุลไปเรื่อยๆและที่สุดริงผู้ปฏิบัติก็จะเป็นผู้ที่มีความมีการนั่งค่อนข้างมั่นคงแต่ถ้าหากลมเข้าและลมออกยังไม่สมดุลตราบใด บางท่านก็จะมีปัญหาเรื่องมีการหน้าบางทีจะความหน้าเนี่ยจะขยับไปข้างหน้าอยู่เรื่อยเลยคนที่หายใจยาวนี่นะเหมือนคล้ายๆตกผวังเลยคล้ายๆอย่างนั้นแหละปึ๊กไปข้างหน้าปึ๊กไปข้างหน้าเรื่อยเลยเพราะเหมือนเหมืีลมมันที่ยาวมันดึงความสนดุลในร่างกายไม่ค่อยเกดิดบางทีก็จะพังหงายไปข้างหลัง พอลมหายใจเข้ายาวกว่าออกอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็ต้องสังเกตอย่างนี้ด้วยนะงนั้นตรงเนี้ยที่สุดจริงๆก็ต้องมันประคองมานาสิการทำสติระลึกมั่นให้ทําสมาธิให้แนบชิดติดกับลมแล้วใช้ความเพียรให้พอเหมาะประคับประคองพระเจ้าสอนเรื่องฉันทะสมาธิและประธานสังขารเนี่ย ก็คือใช้ตัวกําลังของชันทะก็มีความรักมีความพอใจอย่างแรงกล้าในการที่จะเจริญอาณาบานสติสมาธินั้นเมื่อกําลังของชันทะดีมีความรักอย่างแรงกล้าเกิดขึ้นมาเพราะอะไรเพราะเห็นประโยชน์เห็นประโยชน์ของการเจริญสมาธิเมื่อเกิดความรักความพอใจอย่างนี้มากขึ้นแล้วเนี่ยชันทะก็จะเป็นปัจจัยต่อสมาธิ ในขณะเดียวกันก็จะมีความเพียรที่สร้างสารรค์คอยประครับประคองอย่างติดต่ออย่างต่อเนื่องนี่เป็นไปอย่างนี้ควระลึกถึงอะไรสิ่งใดต่อไปนี่ถามขณะเจรนานาไม่ควรระลึกถึงเรื่องอื่นให้ดูที่จุดกระทบแล้วก็ดูเห็นไหมพัฒนาจากการไม่ใช่รู้แค่เข้าและออกก็จะเริ่มดูยาวและสั้นดูไปนานขนาดไหนสามารถทำได้เป็นชั่วโมงเป็นสองชั่วโมงทาไป และที่สุดจริงๆก็คือต่อไปก็บางท่านถ้าอย่างบางทีเนี่ยครูบาอาจารย์บางท่านจะไม่บอกรายละเอียดแบบนี้บางท่านก็จะให้ดูจุดเดียวไปเลยแล้วก็เริ่มดูตลอดสายไปเลยเี่ยนะหมายความว่าดูให้ต่อเนื่องไปเลยลมกระทบเข้าที่จุดกระทบนานขนาดไหนก็สามารถเห็นได้ขนาดนั้นเลยแล้วก็ทบออกเป็นต้นเหล่านี้ นั้นตรงนี้ก็คือก็อย่างที่บอกถ้าหากว่าไม่สังเกตก็จะกลายเป็นคนนั่งและสบะบังงกถ้าไม่ได้สังเกตยาวสั้นยาวสั้นให้ชัดก็จะประคองจุดนี้ไปไม่ผ่านหลายหลายคนก็จะติดอยู่ตรงนี้แหละเอาใครที่จเจริญาน า, นานปนาสติมามีปัญหาเรื่องนั่งสบะบังงกสบะบังงกเพราะถีนามิธาหรือสบะบังงกเพราะ หลงลืมสติเป็นระยะระยะสับปรกเพราะถีนมิทาหรือเปล่าเพราะเพราะหลับหรือเปล่าหรือสับปงกเพราะลมเข้าและลมออกไม่สมดุลกันเออตรงนี้ต้องตั้งสติในการที่จะต้องรู้รู้ตลอดรู้ยาวรู้สั้นแล้วไม่พอแล้วปรับคาว่าปรับความสมดุลเนี่ยไม่ใช่ไปฝืนเพื่อจะให้หายใจยาวหรือสั้น แต่เมื่อสภาพร่างกายนั้นเริ่มนิ่งมีอยู่สูตรหนึ่งพระพุทธเจ้ายกตัวอย่างว่าท่านมหากปินนะในอาณาปณาาะคถาในอาณาปณาะาสังยุตท่านพระมหากปินะเนี่ยท่านนั่งเนี่ยนิ่งแล้วกายไม่เคลื่อนไหวเลยตรงแนว่ว พระเจ้าก็บอกกับภิกษุทั้งหลายบอกว่ามีภิกษุรูปหนึ่งนั่งคู่บาลังตั้งกายตรงเนี่ยดำรงสติไว้เฉพาะหน้าเนี่ยกายของเธอไม่โค้งเลยแม้แต่นิดเลยเหตุผลที่กายของเธอไม่โค้งเลยแม้แต่นิดนั้นเพราะความสมดุลในการที่เธอมีสติกําหนดรู้ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนั้นน่ยมีความเหมาะสมพอดิบพอดีด้วย และที่สุดยิงท่านเหล่านั้นก็สามารถเข้าอยู่ในกำลังของสมาบัตแล้วสามารถเข้าอยู่ในสมาบัติทุกระดับและเข้านิโรธาสมาบัติเป็นต้นใ ด, ด้ดยฉะนั้นจึงทั้งกายก็ไม่ไหวพรธเจ้าจึงบอกว่าอาณาปานสติที่พิสูจ์เจริญแล้วกระทำให้มากแล้วเนี่ยกายก็ไม่โครงกายก็ไม่โครงจิตก็ไม่หวั่นไหว แล้วอะแล้วก็สามารถละอาสวะทั้งหลายคือกามาสวะเป็นต้นใดโดยเห็นไหอันนี้สงขนาดนั้นก็คือกายนี่จะตั้งมั่นไม่ใช่ตั้งมั่นแบบเกรงนะแล้วจิตนั้นก็ไม่ไหวติงจิตก็ไม่ไหวไปเรื่องนั้นเรื่องนี้จิตก็จะตั้งมั่นอยู่นะจุดเดียวนะั่นแหละที่จือกระทบหรือตั้งมั่นที่นิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อเกิดความตั้งมั่นอย่างนั้นแล้วเนี่ยพลังของสมาธิก็จะไม่ซ่านสาย จิตก็จะเป็นสมาธิรวมเป็นหนึ่งเดียวที่เรียกเอกขาตาตอนนั้นปลาโมดก็เกิดปีติความปลื้มใจอย่างแรงกล้าเกิดความสงบแล้วเกิดสุขสมมนัดแล้วพลังของสมาธิก็เกิดความตั้งมั่นจิตจะมีพลังมากจิตจะเข้าถึงความสงบถึงความเยือกเย็นถึงความผ่องแผ้วถึงความอาจหาถึงความร่าเริงมีพลังและก็ควรต่อการที่จะไปเดินวิปัสสนาญาณต่ อ, อยังไงเป็นต้น นี่เป็นอย่างนี้นะนี่ก็คือจิตเขาเป็นสมาธิสรุปแล้วคือว่าตอนนี้ถ้าถามธนาปฏิบัติเนี่ยจเจริญอาณาปานาสติควรจเจริญต่อไปอย่างไรก็คือฝึกจนกำลังของสมาธิเกิดความตั้งมั่น เข้าใจที่จะถามต่อก็คืออย่างนี้ว่าช่วงนี้เบื้องต้นเนี่ยไม่ควรไปกำหนดว่าแข็งอ่อนหรือรู้ลักษณะของลมเย็นร้อนต้องไม่ไปรู้แบบนั้นถ้างั้นกรรมฐานจะเปลี่ยนรูปและไม่ต้องไปกำหนดว่าหายใจเข้าไม่เที่ยงหายใจออกเป็นทุกข์หรือเป็นอนัตตาไม่ควรไปกำหนดด้วยความเป็นไตรลักษณ์คือไปพิจารณาเห็น้วยความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแห่งลมหายใจเข้าออกเพราะอะไร เพราะกำลังของสมาธิยังไม่เพียงพอต่อการที่จะไปรู้อย่างนั้นเลยอันนี้เป็นเพียง basic, เบสิกเบื้องต้นที่เราจะต้องฝึกให้ได้ยิ่ ง, ย, งยิ่งขึ้นไปก่อนแล้วส่วนกรณีาการที่จะไปเดินต่อณนะเวลาไหนนั้นน่โอ้โหต้องเล่นกันยาวเลย <c oughs> อย่า <c oughs> ไม่ใช่รู้เฉยๆแต่สามารถตั้งเจริญสมาธิจนเกิดความตั้งมั่นได้ คือในเรื่องของการเจริญอาณาปณสติสมาธิเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าสิ่งที่เราจะต้องทำใช่ไหมคืออย่างนี้พระพุทธเจ้าแสดงบอกว่าอาณาปณสติที่ภิกษุเจริญแล้วก็ททำให้มากแล้วเนี่ยจมเป็นสภาพที่สงบประณีตและอยู่เป็นสุขนะ ที่สมบูรณ์แบบทั้งกายและใจและมีประสิทธิภาพทำให้บาปประกุสรธรรมันชั่วลายที่เกิดขึ้นแล้วหายไปอย่างรวดเร็วได้ใช่ั้ยทีนี้กรณีอย่างพวกเรามาเจริญกันเนี่ยเบื้องต้นจริงๆก็คืออาณาปานสติภาวนาย่อมบริบูรณ์แกโยคีผู้เจริญสติกำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะจุดกระทบของลมนั้นน่ที่ลมหายใจนั้นที่กระทบก็คือตั้งมั่นนะที่ตรงนั้น สิ่งที่จะต้องรู้เบื้องต้นเลยก็คือว่าอาณาปานสติกรรมฐานเนี่ยประกอบไปด้วยนิมิต3ประการนะนปริกามานิมิต 2. อ, อุอคหานิมิต 3. ปฏิภาคคนิมิตอันดับแรกเนี่ยที่เรียกปริกามานิมิตแม้แต่ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกโดยปกติก็เชื่อว่าปริกามานิมิตเข้าใจยังไอลมหายใจเข้าลมหายใจออก ผู้ปฏิบัติตอนนี้เห็นลมหรือยังเห็นลมที่กระทบเข้ากระทบออกหรือยังเห็นหรือยังไม่เห็นเออนั่นแหละที่ยังไม่เห็นเนี่ยแปลว่าไอ้ตัวบริกรรมานิมิตเนี่ยยังไม่ปรากฏแต่ถ้าเห็นแล้วถามว่าเห็นด้วยตาเนื้อหรือเห็นด้วยใจเห็นด้วยตาเนื้อหรือเห็นด้วยใจใจไม่ใช่ตาเนื้อไปดูเห็นด้วยใจเห็นลมกระทบเข้ากระทบออกประเด็นต่อไปคือว่า เมื่อเจริญอาณาปานสติกรมฐานตามแนวที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้เนี่ยในแรกเนี่ยถ้าสมาธิมีพลังมากขึ้นกำลังของสมาธิมีกำลังมากขึ้นเพราะสติมีกำลังมากขึ้นนี่แหละจึงเป็นปัใจจัยให้สมาธิคือความแนบแน่นมีกำลังมากขึ้นเพิ่มขึ้นเมื่อ น, นั้นจะทำให้อานาปา น, านิมิตที่เกิดขึ้นน่ยขมุ ข, ขมัวเริ่มเป็นลมหายใจเริ่มเปลี่ยนแล้ว เริ่มกลายเป็นสีเทาๆบ้างเขาขาวบ้างเป็นนี่ยังเป็นนี่ยังเนี่ยนี่แปลว่ายังไม่นิมิตยังไม่เด่นเข้าใจอย่างตอนนี้ลมหายใจยังแทบไม่เห็นเลยในเรื่องนิมิตยังไม่เด่นเนี่ยในตัวบริกรรมนิมิตเนี่ยยังไม่เด่นเลยนะยังต้องมีเรื่องคุยกันอีกเยอะในเรื่องอานาวานสติเนี่เข้าใจอย่างนะตอนเนี้ที่เราทํากันเนี่ยมันเพียงแค่ ทำยังไงจะให้จิตอยู่กับลมเท่านั้นเองเอามาถึงใช้คําว่าแค่เบื้องต้นไอตัวลมหายใจเข้าไอลมหายใจออกนี่ก็เรียกว่านิมิตเรียกปริกรรมมานิมิตเบื้องต้นแต่ตอนนี้ถามว่าเห็นลมหรือยังเอาข้างหลังเห็นหรือยังเห็นลมหายใจเข้าออกหรือยังยอมเห็นหรือยัง <laughs> จริงๆลมมีอยู่ไหมมีไม่มี ลมหายใจออกลมหายใจเข้ามีอยู่ไหมมีมานานหรือยังมีมานานหรือยังตั้งแต่ออกจากท้องแม่นั่นแหละและตอนนี้อยู่มากี่ปีแล้วปีหนึ่งมีกี่วันสามร้อยหกสิบห้าวันและตอนนี้ผ่านมากี่ปีแล้วชีวิตเราเนี่ยทําไมเราไม่เคยเห็นลมเลยละ่ะทั้งๆ ท, ที่มันอยู่ที่นี่ใช่ไหมมันเข้าออกตลอดใช่ไหม และสำคัญที่สุดกับชีวิตไหมสําคัญที่สุดแต่ทําไมเราไม่เคยเห็นลมเลยทั้งๆที่มันวิ่งผ่านเข้าผ่านออกถ้าลมไม่มีมนุษย์ตายไหมเอาแหละแต่เนี้ยกลับไปดูกันหมาว่าทําไมลมไม่ปรากฏนั้นถ้าลมปรากฏเมื่อไรแปลว่านิมิตนั้นปรากฏแล้วนิมิตของลมนั่นเองนะมันจะออกมาต่างกันออกไปอันนี้ไม่พูดนําเดี๋ยวพูดนําแล้วจะไปสร้างจินตนาการขึ้นมาไม่เอาไม่ชอบ ไม่ชอบใจถ้าใครไปสร้างจินนาการว่า ล, ลมจะต้องสีเป็นอย่างนั้นให้เห็นเองจริงๆฉะนั้นในลำดับนี้ก็คือว่าถ้าขมูข ม, มัวเป็นสีเทาๆเหมือนกับสีของควันไฟด้วยอำนาจแห่งภาวนาเป็นต้นอะไรเนี้ยอันนี้ก็เรียวกว่าปริกรรมมนิมิตนี่ลมหายใจจะออกเป็นลักษณะเห็นเห็นลมหายใจขึ้นมาชัดเลย ตอนนี้ทำไมเราจึงไม่เห็นลมหายใจคำตอบก็คือสมาธิไม่มีกำลังพอไม่มีกาลังพอทำไมสมาธิจึงไม่มีกำลังพอเพราะสติอ่อนแอทำไมสติจึงอ่อนแอเพราะความเพียรไม่เหมาะสมทำไมความเพียรไม่เหมาะสมเพราะศรัทธายังน้อย ทําไมจึงศรัทธาจึงน้อยเพราะฟังคุณของพระพุทธเจ้าหรือคุณของกรรมฐานต่ําไปกันไปน้อยเกินไปเขาจยังทั้งหมดมีเหตุผลหมดนะฉะนั้นทําไมอาตมาถึงขับเน้นให้มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าในพระธรรมและในพระสงฆ์ฉะนั้นก็คือว่าต้องมีศรัทธาไหมต้องมีศรัทธาเชื่อมั่นเชื่อมั่นพระดำํำรัสของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไหม พระพุทธเจ้าบอกว่าอาณาปานสติสมาธิที่ภิกษุเจริญแล้วก็ทําให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอนิสงฆ์มากที่พระพุทธเจ้าบอกว่าอยามปิกโขภิกเวอาณาปานสติสมาธิภาวิตโตภเรกโตสันเตเจวะปณีโตจ่อาเสจนะโตจ่าสุโคโจะวิหาโรเป็นต้น <c oughs> นี่กล่าวไว้ใน วินัยบปิดกบอกดูก่อนภิกษุทั้งหลายอานาปานสติสมาธิที่โยคียปฝึกฝนได้มากเพียงพอแล้วย่อมสงบประณีตเป็นธรรมเครื่ม อ, อยู่อย่างเป็นสุขที่สมบูรณ์แบบทั้งกายและใจมีประสิทธิภาพมากสามารถทำบาปอคตรธรรมอันชั่วรา้ายทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นอีกนั้นให้ดับหายไปได้อยากทำไหว่าอาณาปานสติมีคุณสมบัติขนาดนั้นนะ นี่พระเจ้ากล่าวไว้ในคัมภีร์สั่งยุทธ์ด้วยในคัมภี์วินัยก็กล่าวไว้ในวินัยโยปิโดก็กล่าวในคัมภีรสั่งยุทธ์อานาปานะสังยุทธ์ก็กล่าวไว้พระเจ้ากล่าวเชิญชวนบอกว่าโยคีดูก่อนพิกษทุทั้งหลายอานาปนานสติสมาธิที่โยคียฝึกฝนได้มากเพียงพอแล้วฝึกฝนเพียรพยายามขมักขม้นได้มากเพียงพอแล้วย่อมสงบประนีต เป็นทำเครื่องอยู่อย่างเป็นสุขที่สมบูรณ์แบบทั้งกายทั้งทางกายและทางใจตอนนี้กายเป็นสุขไหมเอาโยคีผู้ปฏิบัติทั้งหลายเนะี่ยตอนนี้กายเป็นสุขไหมสุขไม่สุขเอานั่งยังมีสุขไหมยอมสุขไหมปวดเมื่อยไหมนี่แสดงว่าสมาธิไม่มีพลังถ้าสมาธิมีพลังเมื่อไหร่ยมจะกายก็จะเป็นสุขใจไม่ต้องพูดถึงเพราะใจสุขก่อนนั่นแหละ ฉนันพอถ้าใจสุกกายจะสุกไหมถ้าใจเป็นสุขเ อ, อิบอิม่มด้วยพลังของสมาธิที่มีพลังถามว่ากายจะสุมัหมกายก็จะสุขก็จะนั่งนิ่งไม่นั่งบิดไปบิดมาแบบนี้หรอก <c oughs> ถ้าใจยังไอ้ที่ยังนั่งบิดไปบ้างบิดอย่างนี้บ้างโยกหน้าโยกหลังบ้างแปลว่ากายเป็นทุกข์หรือสุกกายเป็นทุกข์หรือสุกกายเป็นทุกข์ทไมกายจึงเป็นทุกข์เพราะจิตไม่มีพลังของสมาธิ ทำไมจิตถึงไม่มีพลังของสมาธิเพราะสติอ่อนแอไม่ระลึกอยู่ที่จุดเดียวนะจุดกระทบเป็นต้นด้วยใช่ไหมอา้าวดูพุทธพจน์ต่อในมัชฌิมานิกายมัชฌิมปัญนาตแล้วก็ในหลายที่ในสังยศก็มีบอกว่าอีทาพิกเวพิกขุอรัญญาคตวารุคาตูมคาโตวาสุญญาคาราคโตวา นิสินทติปัลลังกังอาพุชิตวาอุชุงการยางปณิธายาปริมุขังสติงอุปทะเปตวาโสสโตวะอสสติสโตวะปัส ส, สติเป็นต้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิสูตผู้เป็นผู้โยคาวาจรในพุทธศาสนาหรือโยคีที่ฝึกฝนในพุทศาสนานี้เข้าไปสู่ป่าก็ดีสู่โคนไม้ก็ดีสู่เรือนว่างก็ดี ยังพวกเราอยู่กลุ่มไหนอยู่ป่าอยู่คนไม้หรือสู่อะไรสำนักปฏิบัติาจัดเข้าในเรือนว่างอย่างเงี้ยศูนย์ยาคารไว้สมมตนินี่ศูนย์ยาคารังเป็นเข้ามาตอนนี้เราเข้ามาหรือยังเข้ามาหรือยังเข้ามาสู่สถานที่ปฏิบัติหรือยังเอาเข้ามาสู่เรือนว่างแล้วตั้งกายตรงตอนนี้กายตรงหรือยัง ตั้งกายตรงก็คือตั้งกายส่วนบนให้ตรงคู่ขาเข้าดำรงสติให้มั่นดำรงสติมั่นดำรงสติไว้ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกที่จุดกระทบหายใจเข้าก็มีสติหายใจออกก็มีสตินี่คือเจริญอาณาปานาสติกรรมฐานเกี่ยวกับอาณาปานาสติกรรมฐานนี้พระเจ้าแบ่งออกเป็นสขั้นนะ เพื่อให้ฝึกฝนตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ก็คืออารมณ์หายอารมหายใจเข้าอารมณ ห, า, มณหายาาใจยออกเนี่ยก็คือสี่ขั้นทีนี้จริงๆแล้วก็คือในสี่ขั้นเนี่ยถ้าให้เต็มรูปแบบเลยสิบหกแต่ตอนนี้สอนแค่สี่เหตุผลที่สอนที่สี่นี่คือเบื้องต้นเมสเซดายพวกเราน่าจะจัดคอสอบรมกันหนึ่งปีอะ หปีนี่ประสบความสําเร็จเลยเนี่ยเชื่อไหมถ้าหนึ่งปีนี่ประสบความสําเร็จ น, น, นะาจนทาทุกวันเลยลาออกทุกตําแหน่งเสียแล้วก็มาปฏิบัติกันเ อ, เอาไหมเอาไม่เอาเดี๋ยวให้มาหาอุณาจอาจารย์มาหาอุณาพาปฏิบัติทุกวันทุกวันเลยเอาไหมหนึ่งปีรับสมัครเลยหนึ่งปีสงสัยจะมีไม่ถึงห้าคนเพอเพอไม่ถึงสองคนเต่ถ้าหนึ่งคนก็จะไม่มีได้เนี่ยใช่ไหมล่ะ มีไหมอ่ะหลักสูตรหนึ่งปีมีใครจะเข้าไหมยกมือดูที่มีคนเดียวเองมีหนึ่งคนเองอ่าหนึ่งปีมีไหมหนึ่งปีทิ้งโทรศัพท์ด้วย <c oughs> <c oughs> ต้องการจะฝึกจริงๆต้องการพ้นทุกนี่เอ้าใครอยากพ้นทุกปีเดียวเนี่ยโอ้โหปีเดียวหน้าแรกไหมหน้าหน้าทำไหมล่อใช่ไหมล่อเอาจริงเดียปีเดียวเอง หลายคนมาบอกปีนึงโอ้โหสามร้อย้วันโอโ้ไม่ไหวแล้วใช่ไหมละ่ะขณะเจ็ดวันนีน้นั่งนับวันเลยเตั้งนานเิ่งผ่านไปได้แค่วันเดียวเมื่อยที่จบครบเมื่อกี้อึดอัดแทบแย่แล้วนี่เป็นไหมเป็นไม่เป็นก็คือนี่แหละอาณาปานาสติภาวนาย่อมบริบ ok ูรณ์แก่โยคีผู้เจริญสติพิจารณาลมหายใจนะทุกๆุกจุดที่ลมหายใจเข้า ที่ลมหายใจนั้นกระทบทุกๆจุดคือตรงนี้นะไอคําว่าทุกๆจุดนี่ยคือแปลแปลให้มันเห็นภาพแค่นั้นเองแปลมันเห็นภา พ, ภาพก็หมายคือดูให้ต่อเนื่องเพราะปกติอย่างหายใจออกเนี่ยหายใจออกหายใจเข้ามนุษย์เี้ยหายใจออกหายใจเข้าเนี่ยไอลมที่มันออกมาเนี่ยมันใช้เวลากระทบอยู่นานไหมกระทบอยู่ที่จุดกระทบนานไหมนานไม่นาน แล้หายใจยาวไหมในขณะที่ลมหายใจยังวิ่งออกอยู่ตลอดเวลาตอนนั้นยังมีจุดกระทบตลอดเวลาไหมกระทบตลอดเวลาไหมก็กระทบตลอดเวลานี่แหละหายใจเข้าตราบใดอยู่ก็ยังมีจุดกระทบตลอดเวลาใช่ไหมเล่านั่นก็เห็นตลอดเลยไม่ใช่ว่าเห็นนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวแล้วก็ไปคิดเรื่องอื่นคิดเรื่องอื่นไม่ใช่งั้นเลเห็นต่อเนื่อง เอาแล้วแต่นี้ก็คือว่าอานาปานาสติกรรมฐานประกอบประเด็นมิตรสองอย่างนึงปริกรรมมณีมิตรได้หรื อ, อยังได้หรื อ, อยังเห็นลมหรื อ, อยังเห็นลมที่กระทบเข้ากระทบออกหรื อ, อยังยากไหมไม่ยากหรอกก็มีลมอยู่หรือเปล่ามีหรือามีลมหยายใจอยู่ไหย มีทำไมไม่มีล่ะลมพัดลมกระทบเข้ากระทบออกมันก็กระทบอยู่เงี้ยเนี่ยมองเมื่อไหรก็เห็นอยู่เงี้ยเห็นไหมเนี่ยก็เห็นตลอดเหตุผลที่เรายังไม่คุ้นเคยกับลมดังที่ได้กล่าวไว้ว่าทําไมต้องให้ดูทั้งนียาบทยืนเดินนั่งนอนเข้าใจยังเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่เคยดูเลยเราชอบไปดูไอ้จุดอื่นนะจุดอื่นไปหมดเลย เหตุผลที่ไม่เห็นดังที้เข้าใจได้นะเพราะเพราะพลังของสมาธิแข็งแรงหรือไม่แข็งแรงยังไม่แข็งแรงฉะนั้นอย่าใจร้อนไม่ต้องไปรีบแต่ให้ทำต่อเนื่องตลอดเวลาแค่นี้พอแล้วไม่ต้องไปอยากได้อยากได้อยากได้จริงจรงจังๆแต่ต้องดูต่อเนื่องติดต่อและตลอดเวลาแค่นี้แค่นี้แล้วจะประสบความสาเร็จได้ไม่ยาก การที่สองอุกขานิมิตรใหม่ๆเนี่ยตัวลมหายใจเข้าลมหายใจออกจะมีลักษณะขมุขมัวนะไม่ค่อยชัดนี่เป็นบริกรรมนิมิตเหมือนควันไฟนี่แหละเป็นต้นอาจจะไม่เหมือนกันนะอาจจะเป็นลักษณะอย่างไรแต่บอกแบบโยคีผู้ปฏิบัติไว้เลยว่าอย่าไปตกใจ และอย่าไปอยากจะเห็นลมเพราะลมจะเด่นชัดหรือไม่ชัดอยู่ที่กำลังของสมาธิภาวนาถ้ากำลังของสมาธิภาวนามีพลังมากก็เห็นถ้าไม่มีมันก็ไม่เห็นเรื่องปกติไม่ใช่ไปอยากเห็นลมเพราะเราไม่ได้ไปเจริญลมแต่เราต้องเจริญสติต้องเจริญสมาธิ ต้องเจริญปัญญาเขาจะยังถ้ามีสมาธิมีพลังมากจิตมันก็ใสเพราะจิตใสใกิเลสสกรปรกในจิตมันก็ถูกขจัดออกเพราะถูกขจัดออกมันจะเห็นลมชัดหรือไม่ชัดชัดไหมก็เห็นลมชัดง่ายๆนิดเดียวแค่นี้แหละง่ายนิดเดีย ว, ยดดยวที่เหลือ คือประเด็นก็คือว่าเห็นมไหมพกิเลสสกปรกมันออกจากจิตก็มองเห็นอะไรได้ชัดน้ำเนี่ยโยมน้ํามันขุ่นคลักเนี่ยโยมจะสามารถมองเห็นข้างล่างได้ไหมได้หรือไม่ได้แต่ถ้าเอาสารส้มไปแกว่งแกว่งแกว่งแกว่งแกว่งไม่รู้แล้วมั้งคนยุคนี้รู้จักาสารส้มแกว่งเยอะหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยาสารส้มหรือไปแกว่งแกว่งสักพักนึงน้ําใสไหมน้ําใสตะกอนที่มัน ติดเป็นเป็นอยู่กับ น, น้าก็ค่อยลงไปอยู่ข้างล่างหมดแล้วจะมองเห็นหมดไว้ทีนี้จะมองเห็นนี่เหมือนกันอย่าแปลกใจว่าทำไมเราจึงไม่เห็นลมคำตอบง่ายนิดเดียวก็คือจิตไม่เป็นสมาธิงนั้นถ้าจิตเป็นสมาธิอย่าว่าแต่ลมเลยยิ่งกว่าลมก็เห็นนะนักเข้า นะเข้าถ้าจะน้อมไปเพื่อจะไปดูจิตก็จะเห็นแม้กระทั่งจิตอันนั้นเดี๋ยวว่าขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวพูดเดี๋ยวโยมจะตื่นเต้นเดี๋ยวพูดไปจะตื่นเต้นเยอะมันจะมีอะไรเยอะในขั้นตอนการจเจริญอาณาปณะสติเนี่ยนะนะน้อมจิตไปที่จะดูอะไรก็เห็นแต่ตอนนี้เอาแค่เห็นลมก่อนพื้นฐานเบื้องต้นเอาถ้าไปปฏิบัติแล้วต่อไปจะสอบถามกับใครเนี่ยเดี๋ยวเอาเทปไปฟังก็แล้วกันเนาะ ออกไปก็เทไปฟังต่อเนื่องแต่ต้องฝึกให้ติดต่อจริงนะอกหานนิมิตต่อไปถ้าบริการมนิมิตเขาเรียกว่าแม้แต่ลมหายใจเข้าแล้วลมหายใจออกได้ปกติก็ชื่อว่าบริการมนิมิตโยคีเนี่ยได้เจริญอานาปานาสติกรรมฐานตามแนวทางที่พระบรมศา ส, าสดาทรงแนะไว้ในปฐมเจตุกาคือจตุการแรกเจตุกาที่หนึ่ง ไปตามลําดับแล้วก็จะทําให้สมาธิมีพลังมากขึ้นคําว่าสมาธิมีพลังมากขึ้นแปลว่าอะไรสมาธิมีอะไรบ้างความเพียรมีพลังมากขึ้นสติมีพลังมากขึ้นสมาธิมีพลังมากขึ้นกลุ่มกุศลธรรมทั้งหลายมีความแนบชิดติดกับลมมากขึ้นจิตเจตสิกที่เป็นกุศลนั้นน่ะมีการไม่ซ่านสาย ตรงดิ่งแนวนะเหมือนเทียนนะยอ ม, ยอมเคยจุดเทียนอยู่ในที่อับลมไหมที่ลมไม่พัดต้องอะอโลเทียนที่จุดที่จุดเทียนอะเคยเคยไหมไปจุดเทียนไว้ในที่ไม่ลมอะถามว่าเทียนนั้นเขาจะไหวไหมไฟที่ไหมเทียนอยู่นั้นะจะไหวไหมนิ่งไหมนิ่งแน่วไหม นิ่งแล้วก็แน่วแล้วก็ค่อยอะไรไม่ลามลงเรื่อยเลื่อยือยต่อเนื่องจิตและเจรตสิกที่เป็นกุศลก็เหมือนกันเมื่อตั้งมั่นอยู่ในลมเนี่ยเขาเกิดดับติดต่อก็จริงนะแต่มันจะตรงแนวอย่างนั้นเลยยอมตรงแนวติดต่อไม่ไปในลมอื่นเลยแล้วแล้วจะขจัดของเสียออกด้วยมอนตั้งมั่นใช่ไหมของเสียก็จะสูกถ่ายเทออกถ่ายเทออกสิ่งโสโปอกก็จะถูกขจัดออก ข, ขจัดออก เมือนน้ำพอเริ่มนิ่งแลต้ตะกอน ก, ก็เริ่มนอนนอนนอนนอนใสไหมสะอาดไหมน้ําจะเริ่มสะอาดขึ้นใสขึ้นบริสุทธิ์ไหมน้ําก็จะเริ่มบริสุทธิ์ขึ้นใสมองเห็นอะไรได้ชัดแจ๋วขึ้นในจิตมันเริ่มจะควรแล้วแต่เนี้ยเริ่มจะดีแล้วเข้าใจยังทีนี้ลมหายใจแต่ก่อนเราไม่เคยเห็นมันจะเริ่มเด่นขึ้นเด่นขึ้นเด่นขึ้นเข้าใจยังแต่นี้ชัดแล้วแต่เนี้จะเริ่มเห็นนิมิตของลมแล้ว เอาต่อไปดิพอนิมิตเริ่มเป็นปริกรรมนิมิตแล้วขั้นตอนต่อไปเมื่อพลังของสมาธมาามิมากขึ้นกว่าเดิมอีกมากขึ้นกว่าเดิมอีกอาณาปาณะนิมิตเนี่ยที่มีลักษณะขาวโพลเหมือนกระสับกระีก็ไม่ปานเนี่ยนะจะเกิดขึ้นเดิมหน้าของพลัวนาเนี่ยก็เกิดขึ้นแล้วเริ่มนี่แหละเป็นนิมิตแล้วแต่เนี้นี่เขาเรียกโอค า, านิมิตอาจจะแตกต่างกันไปนะนี่ยกเพียงตัวอย่างก่อนนะ เพราะนิมิตเหล่านี้เกิดจากกุศลสรรัญญาเกิดจากสัญญาภาวนาจากสัญญาที่บริสุทธิ์เมื่อสัญญาบริสุทธิ์เหล่านั้นเกิดขึ้นมาเป็นปัจจัยต่อสติสติเป็นปัจจัยต่อสมาธิสมาธิเป็นปัจจัยต่อให้กุศลจิตนั้นมีพลังมากขึ้นมากขึ้นเมื่อมีพลังมากขึ้นตัวนิมิตก็ขาวโพลนขึ้นนิมิตเริ่มเด่นแล้วปรากฏเป็นสีอื่นๆ น, นอกจากสีขาวก็ได้ไม่ใช่ บางทีก็เป็นสีอื่นไม่จำเป็นต้องเป็นสีขาวนี่ลักษณะอย่างนี้อันนี้เขาเรียกอกค ห, หานิมิตภาษาเ็าเรียกนิมิตติดตาไม่ใช่ติดตายิงติดใจนี่แหละเด่นชัดขึ้นแล้วแต่นี้พูดแค่นี้ก่อนพอัหมไม่ควรพูดมากไปกว่า น, นี้มั้ง มีใครปฏิบัติได้มากไปกว่านี้หรือยังมีมีใครปฏิบัติได้มากไปกว่านี้หรือยังยังเนาะ <c oughs> อ่าต่อไปก็คือปฏิภาคคณิมิตก็คืออานาปานานิมิตที่มีสีสุกสกาวสว่างสวัยเหมือนกับดาวประกาพึกเป็นต้นเนี่ยด้วยอำนาจของภาวนา น, นั่นเองมีเชื่อปฏิภาคคณิมิตอันนี้เป็นเยพุยยในเช่นกันนะ ก็หมายความว่า น, นิมิตอันเดิมนั่นแหละพอกำลังของสมาธิเนี่ยตั้งมัน่นมีพลังมากขึ้นสะอาดมากขึ้นตัวนิมิตนี่ก็จะเริ่มใสสว่างเจิดจ้ามากขึ้นนี่กำลังของสมาธิจะตั้งนะที่จุดนิมิตนั่นแหละถามว่าถ้าหากได้นิมิตอย่างนี้แล้วความสุขจะเกิดไม่ยอมว่าเกิดไม่เกิดเกิดไม่เกิดยมจะไม่สนใจคนอื่นอีกต่อไป แล้วยอมจะมีความสุขกับการปฏิบัติมากแล้วในชีวิตเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยที่ย่อมอมายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยสี่สิบสองที่ผ่านมาสี่สิบกว่าปียอมไม่เคยพบเคยเจอเลยอะ่ะนี่ไงทรัพย์ที่พ่อฝากเขาไว้ที่พระเจ้าฝากเขาไว้เรายังไม่เคยเห็นอย่างนี้สักทีเลยอะ่ะแค่อันนี้เพื่อ้พื้นฐานเบื้องต้นนี่แหละพอได้อย่างเงี้ยยอมจะเป็นคนที่สงบเยือกเย็นแล้วมีความสุขแล้วยอมจะไม่เครียดไม่ทุกข์ไม่กลุ้ม กิเลสสกปรกที่เคยเกิดในใจก็จะหายเลยตันี้ต่อไปยอมจะโอ้โหมีความเชื่อมั่นในพระธรรมคําคสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็จะตั้งมั่นเวลาประพฤติปฏิบัติความสุขก็จะเกิดแล้วก็จะรีบต่อยอดใหญ่เลยตันี้นะนี่จะเป็นไปลักษณะอย่างนี้ออสําหรับโยคีหรือโยคาวาจรโยคีผู้ปฏิบัตินั้นเมื่อเจริญอนาณาปณะสติกรรมฐานอยู่จนได้อนาณาปณะเป็นปริกามนิมิต ท, ที่มีลักษณะเป็นสีเทา สีเทาๆหรืออุกนิมิต ท, ที่มีลักษณะเป็นสีขาวโพลหรือปฏิภาคนิมิต ท, ที่มีสีสุขใสสว่างแวววาวก็อย่าไปใส่ใจถึงสีของนิมิตเหล่านั้นนะเพราะมิฉนั้นจะทําให้กวนไปสู่วันนั้จะให้วกวนไปก็จะกลายเป็นกรรมฐานก็จะไปเกี่ยวกับเรื่องอื่นไปเข้าใจมตรงนี้ก็บอกไว้ก่อนเช่นถ้าสีขาวๆก็อย่าไปใส่ใจที่สีสีมัน คุณคุณมัวมวยม่งไม่ไปใส่ใจที่สีหรือสีมันสว่างสุขใสก็อย่าไปใส่ใจที่สีก็ไปมัวสนใจเพื่อจะเพ่งดูสีไม่ควรอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นมันจะกลายเป็นอะไรมันจะกลายเป็นนู่นไปเจริญกระสินไปนี่เรากําลังเจริญอะไรอยู่เจริญอาณาปานาสตินิมิตรเหล่านี้เกิดจากอะไรนี่เกิดจากลมไม่ใช่จะเกิดจาก ก, จากสินนี่เกิดจากลมเข้าใจไหม เกิดจากลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่แหละเหตุที่ได้นิมิตเหล่านี้มีพลังสมาธิก็ให้ตั้งมัน่นที่นิมิตนั้นโดยไม่ไปใส่ใจที่สีของนิมิตแต่ให้ใส่ใจที่นิมิตพูดยากนิดนึงอยากคุยกับคนได้อะเข้าใจหัหยขอให้พวกเราฝึกให้เกิดจริงๆแล้วมานั่งคุยกันดีไหมเอออย่างเงี้ยนะ อ่ะปฏิบัติการแรกนะอย่าใส่ใจสีที่มีมิตรอภิการที่สองยอมว่าลมหายใจเข้าและลมหายใจออกเนี่ยและที่มากระทบเนี่ยในลมเข้าและลมออกเนี่ยจริงๆมันมีดินในนั้นนะมีดินมีน้ํามีไฟมีลมมีสีมีกลิ่นมีรสมีโอชาแปดนะมีแปดอย่างนะ ก็คือสภาวะที่หายใจออกหายใจเข้ามีเสียงด้วยไหมย้อมหายใจยอมีเสียงด้วยไหมเสียงดังไหมเสียงที่กระทบเข้ากระทบออกมีไหมลมหายใจมีเสียงไหมที่ยอมไม่เคยสังเกตลมหายใจเลยยอมลมหายใจมีเสียงออกไหมเวลาหายใจดังไหมดังไหมดังไหมดังดังไหมดังเออดังเสียงด้วยเป็นแป๊กเป็นเก้า มันเสียสีดังออกมาไม่ไม่ควรไปใส่ใจเช่นความแข็งบางทีมากระทบมันแข็งแขงเคยเป็นไหมมันกระทบที่จะหมูกแข็งแข็งอะ่ะเป็นไม่เป็นอย่าไปกระทบอย่าไปใส่ใจที่หยาบที่หนักที่เบาที่ละเอียดเพราะนี้เป็นลักษณะของปฐวีธาตุนียไม่ไม่ควรไปใส่ใจอ ย, อย่างนั้น ไม่ควรไปใส่ใจลักษณะของอาโปธาต์คือเอิบอาบไหลเนี่ยซึมเอิบอาบหรือเกาะกลุ่มไม่ควรไปใส่ใจลักษณะของเตโชธาต์คือเย็นกับร้อนสภาวะที่เย็นและร้อนที่กระทบไม่ควรใส่ใจวายโยธาต์คือเคลื่อนไหวคือผักมีแรงดันอยู่ตลอด เพราะถ้าไปใส่ใจอย่างนี้แล้วเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าไปทำการเรากําลังเจริญอาณาปานสติก็ให้เพ่งลมหายใจเข้าออกจนได้นิมิตก็คือปริกรรมอุปจาราปฏิภาคไม่ควรใส่ใจพิจารณานิมิตเหล่านั้นโดยสภาวะลักษณะและไม่ควรใส่ใจมานใหการลักษณะของดินน้ำไฟลมเป็นต้นเดี๋ยวจะกลายเป็นาธาตุกรรมฐานแทนอาณาปานสติกรรมฐานไปเข้าใจนะเดี๋ยวกรรมฐานจะเปลี่ยน กรรมฐานในภาษาสนามีเยอะไหมเยอะไม่เยอะมีเยอะแต่ตอนนี้เรากําลังเจริญอาณาปนานสติเราต้องการเจริญกรรมฐานที่เป็นประธานกรรมฐานที่เป็นหลักใหญ่ก่อนเมื่อชํานาญในกรรมฐานนี้จบกรรมฐานนี้แล้วเวลาจะพิกเขึ้นสู่กรรมฐานอื่นง่ายหรือยากตัวเนี้ยยั้นตัวกรรมฐานแรกเนี่ยสำคัญเราจะต้องบริหารให้ดีต่อไปเวลาเราจะเดินขึ้นสู่กรรมฐานอื่นเจนของไม่ยากแล้ว ไม่อยากแล้วอตอบแค่นี้ก่อนเนาะเอออีกอย่างหนึ่งเมื่อ ก, กี้ยอมถามและไม่ควรไปใส่ใจในออานิจนจลักษณะคือลักษณะที่ไม่เที่ยงทุกขลักษณะลักษณะที่เป็นทุกอนาตลักษณะลักษณะที่เป็นอนัตตาเรียกภาษาอัญญลักษณะของสภาวะธรรมไม่ต้องไปใส่ใจอย่างนั้นถ้าไปพิจารณาไตรลักษณ์เนี่ย ในส่วนจริงก็คือว่าอาณาปานสตินี่เป็นบัญญัติลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นบัญญัติโดยโดยมิยังไม่ใช่ขั้นตอนที่จะเดินวิปัสสนาตอนนี้ก่อนดังที่ได้กล่าวแล้วว่าถ้ารีบเร่งไปเดินวิปัสสนาตอนนี้ถามว่าไปรอดหรือไม่รอดไม่รอดเหตุผลที่ไม่รอดเพราะอะไรยอมรู้ไหม กำลังของสมาธิไม่พอเหมือนคนหานกล้าอยากจะแบกกระสอบข้ะสานร้อยกิโลแต่ตนเองฟิตร่างกายไม่พอพอไปแบกไหว้หมมันได้แค่คึกขนองพอไปทำก็จริงจริงก็ไปไม่รอดหลายหลายคนเนี่ยก็หกคำเมนตีลังกาหมดแล้วคือไปไม่รอดฉะนั้นต้องให้มีพลังจริงๆพลังสมาธิดีจริงๆ จึงจะใช้พลังของสมาธินั้นไปเดินวิปัสนาญาณต่อถามว่าวิปัสนาญาณเนี่ยสุ ข, ขุมลุ่มลึกไหมไม่ใช่ดูแบบง่ายๆยอ้าวยอยมเคยเจริญวิปัศนาแบบกายเคลื่อนไหวใจรับรู้ไหมเคยไหมอันนั้นเขาเรียกมันหยาบไปหยาบไปนิดนึงปัญญายังไม่พอ ให้ฝึกให้ได้ให้ได้สมาธิก่อนสตุปก็คือโยคีที่พิจารณาลมหายใจเข้าออกโดยปกติเป็นลมนั้นจะต้องไม่พิจารณาลมหายใจดังกล่าวให้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะว่าลมหายใจยังเป็นสิ่งที่เกาะเป็นกลุ่มเป็นก้อนยังไม่พ้นจากความเป็นคณะสัญญาคณะสัญญาก็คือยังเป็นบัญญัติที่เป็นกลุ่มก้อนอยู่นะไม่ควรไป เจาดยความเป็นอันนี้จังทุกคังหน้าตาพระพุทธเจ้ากล่าวไว้บอกว่าอาศาสะเออในวิสุทธิมรรคดีกว่านะอาศาสะปัสสะสาปัสสะสะจิตตาสมุทฐานาวะเป็นต้นบอกว่าแม้ในส่วนของลมอาศาสะปัสสะสะที่เกิดจากจิตนั้นประกอบไปด้วยรูปเจ็ดอย่างอันนี้บอกเชิงวิชาการไว้เลยนะสําหรับผู้ต้องการข้อมูล นั้นลมหายใจเข้าแล้วออกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยยอมนึกว่าไม่มีเลยมันมีมีอะไรบ้างมีดินมีน้ำมีไฟมีลมมีสีมีกลิ่นมีรสมีโอชาแปดแล้วก็มีเสียงด้วยเป็น9ก้ามีสัตว์โทด้วยฉะนั้นเมื่อท่านสาธุชนผู้เป็นโยคีโยคาวจรเจริญเพ่งสภาวะคือธาตุกรรมฐานโดยพิสดารได้สาเร็จ ให้พยายามเพ่งท่าศีที่อยู่ในลมอสซ า, าปสปัสซาสก็จะเห็นแจ้งโดยยานอันนั้นอีกอย่างหนึ่งเข้าใจไหมว่าตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาที่จะไปหมักวิจัยแต่เมื่อต้องการจะมาวิจัยลมหายใจเข้าประกอบไปด้วยทตาอะไรบ้างหลังจากที่ได้สำเร็จจากอาณาปณะแล้วเมื่อสำเร็จจากอาณาปณะแล้วค่อยมาว่ากันต่อไปมาเดินวิจัยปัญญาจะคล่องแคล่วว่องไวมากนี่เป็นอย่างนี้ เอาคำถามต่อไปนะอยากทราบว่านาปนาสติกับการเกิดดับไม่เที่ยงมีความสัมพันธ์กันหรือไม่อย่างไรตอบไปหรือยังเราหายใจเข้าและมลมหายใจออกตอนนี้ยังไม่ควรใส่ใจความไม่เที่ยงความเกิดดับก่อนเหตุผล กำลังของสมาธิยังไม่เพียงพอเมื่อกำลังของสมาธิยังไม่เพียงพอเนี่ยยังไม่ควรน้อมจิตไปดูเรื่องอื่นเหมือนคนเรียนอนุบาลเพิ่งจบใหม่ๆอย่าขึ้นไปอย่าเพิ่งไปขึ้นมัธยมหรือรัวมหาวิทยาลัยเข้าใจไหมหรือเพิ่งจะเริ่มอนุบาลเนี่ยอยากจะไปเรียนระดับปถมแล้วเนี้ยอันนี้ยังไม่ควร ออพระอาจารย์ได้อธิบายว่าสมาธิมีสามขั้นคำถามว่ากรรมฐานมีกี่ขั้นสมถะกรรมฐานวิปัสนากรรมฐานมีข้อเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไรเ <c oughs> นื้อห า, ยาเยอะจังสา่าพระหน้ารักดียัางยมเนี่ยสมาธิสามขั้นเนี่ยขั้นที่หนึ่งาเรียกขัิกาสมาธิใช่ไหมเป็นสมาธิขั้นเตรียมขั้นต้น เป็นสมาธิที่เป็นไปชั่วขณะขั้นที่สองอุปจารสมาธิสมาธิจวนจะแน่วแน่สมาธิที่เป็นปุปภคของอั ป, ปนาสมาธิหรือเป็นเป็นเหตุใกล้ชิดของอั ป, ปนาสมาธิส่วนประการที่สามอั ป, ปนาสมาธิสมาธิที่แนบแน่นสมาธิในชั้นสูงสุดระดับปฐมฌานเป็นต้นคาถามก็คือหนึ่งกรรมฐานมีกี่ขั้น กรรมฐานมันมีสองอย่างโยมกรรมฐานก็มีสมถกรรมฐานและวิปั ส, สนากรรมฐานไอกรรมมะนี่เขาแกว่าการกระทําฐานะก็คือที่ตั้งนั่นแหละที่ตั้งเห็นการทํางานของจิตเขาเรียกกรรมฐานที่ตั้งเห็นการทํางานของจิตเพื่อให้จิตนั้นเกิดความตั้งมั่นดิ่งในอารมณ์เดียวนี่เขาเรียกสมถกรรมฐานที่ตั้งเห็นการทํางานของจิตเพื่อให้จิตนั้นไปพิจารณาวิจยัย สองสภาวะก็คือวิจัยปัจจัตลักษณะคือลักษณะเฉพาะตัวของสภาวะธรรมนั้นๆเช่นไปพิจารณาลักษณะของธาตุดินธาตุน้นําธาตุไฟธาตุลมไปพิจารณาลักษณะของเวทนาของสัญญาของสังขารของวิญญาณเป็นต้นไปรู้ลักษณะเฉพาะตัวของเขาอันนี้เป็นปัจจัตลักษณะอันนี้เป็นวิปัสนาเบื้องต้นเมื่อรู้ลักษณะของสภาวะธรรมเหล่านี้จนเด่นชัด ลูกจริงๆต้องเห็นอย่างเห็นปาดดูดังเห็นแก้วมันีบนฝ่ามือนะวิปัสนาญาณเนี่ยไม่ใช่เห็นผิวเผินหรือเห็นแบบคาดคะเนหรือเดาไม่ใช่อนุมานนึกเอาไม่เอาต้องเห็นจริงๆตาเนื้อเนี่ยเห็นอย่างเงี้ยโยมว่าชัดไหมตาเนื้อเห็นแบบเนี้ยชัดหรือไม่ชัดแต่วิปัสนาญาณเห็นชัดกว่าตาเนื้อต้องเห็นลักษณะเฉพาะตัวของสภาวธรรม แล้วก็ยกลักษณะเฉพาะตัวนั้นขึ้นสู่ไตรลักษณ์เห็นด้วยความไม่เที่ยงเห็นโดยความขัดแย้งกันเป็นทุกข์ขังยังไงเห็นด้วยความที่ไม่สามารถบังคับบัญชาได้เป็นต้นนั่นยความเป็นอนัตตาอันนั้นก็คือวิปัสสนาญาณฉะนั้นกำลังของจิตกำลังของญาณปัญญาที่จะเข้าไปเห็นประจักษ์ชัดอย่างนั้นนี่ตอนนี้พอไมไม่พอเหตุผลที่ไม่พอเพราะเพราะสมาธิไม่มี อย่าแปลกใจว่ากำลังสมาธิไม่มียังไงก็ไม่เห็นจะนั่งยันเดินยันย น, นอนยันก็ไม่เห็นเอาเลยไปทำได้เลยแลวยอมจะรู้ยังไงยอมก็ไม่เห็นยอมทำมากี่ปีแล้วกี่ปีแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยยังไงก็ไม่เห็นเพราะเพราะว่าจิตยังไม่เป็นสมาธิ ถ้าจิตเป็นสมาธิหรือถ้าทำถูกตามระบบแบบแผนที่พระเจ้าเนี่ยป่านนี้เราไม่เสียเวลากันมากต้องยอมรับข้อเท็จจริงตรงนี้ด้วยเหมือนเราเดินทางเนี่ยโยมเราวิ่งวนกันอยู่นี่แหละวนวนว น, ว น, ว, น, ว, นวนมาแล้วก็มาถามกันอยู่นี่แหละเข้าใจมไหมเพราะมันเข้าทางผิดบ้างถูกบ้างมันก็ไม่รู้ไงบางทีก็เดินถูกบางทีก็ผิดแต่มันไม่ถึงจุดหมายมันวนกลับมาที่นี่เอา้ยาสตมื่อไงโยมนะพระเจ้าบอกว่า ในคำสอนมีอยู่เรื่องหนึ่งก็บอกกระบือบอดเข้าป่าใหญ่เวลากระบือรู้จักกระบือไหมโยมกระเบือเวลาตาบอดเนี่ยมันเข้าไปในป่าใหญ่เนี่ยเวลามันเดินหลงทางผิดทางมันจะรู้ไหมเพราะอะไรตาบอดแต่ถ้าวันดีวันใดวันหนึ่งก็คือจับกระบือ่นั้นมามารักษาตาเให้ตาเขาดีเนี่ยเขาเข้าป่าใหญ่ก็จะหลงไหมเขาไม่หลงหรอกอันนี้เหมือนกัน พระพเจ้ามาสอนเนี่ยสอนเพื่อให้เราได้อะไรก่อนได้ตาปัญญาก่อนเวลาเดินไปแล้วจะได้ไม่หลงนี่เป็นอย่างนี้เออตรงนี้ก็คือสรุปแล้วคือสมถะวิกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานมีข้อเหมือนหรือต่างกันอย่างไรเออถามว่าเหมือนสมถะเนี่ยสมถะกับวิปัสสนามันเหมือนกันตรงไหนรู้ไหม มันเหมือนก็คือต้องใช้กำลังของสมาธิเหมือนกันนั่นแหละเช่นจะเดินวิปัสนากรรมฐานเขาเรียกว่าวิปัสนาขณิกาสมาธิเห็นไหมเวลามาเดินวิปัสนาญาณจริงๆก็ต้องใช้กำลังของสมาธินี่แหละกำลังของสมาฐานนี่แหละเป็นฐานเป็นตัวขับเคลื่อนในการที่เข้าวิจัยแยกแยะเออยางยกตัวอย่า ง, ง, างเช่นได้อนาปันะแล้ว ได้กําลังของสมาสมาธิแล้วไอตัวกําลังของสมาสมาธินั่นแหละถึงจะมาเป็นฐานของการเดินวิปาาัสสนาญาณพระเจ้าดังที่ได้กล่าวไว้ว่าสมาธิงพิขเวบาเวทะสมาฮิโตยถาภูตังประชานาต ah, ah ิไอคําว่าสมาธิงพิขเวบาเวทะสมาโตเนี่ยคําำนี้เป็นชื่อของสมาธะดูก่อนภิสูจทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิเถิดเธอทั้งหลายจงเจริญสมาธะเถิด เมื่อภิกษุทำสมถะจนจิตตั้งมั่นแล้วจึงเข้าถึงความสงบแล้วแล้วก็ใช้สมถนะนั่นแหละเป็นฐานแล้วก็จะได้เดินวิปัสสนาญาณเพื่อเข้าไปรู้ตามความเป็นจริงซึ่งทุกข์สัตว์ตามความเป็นจริงจะได้เข้าไปรู้สภาวะธรรมตามความเป็นจริงได้รู้ว่านี้ทุกเนี่ยว่าถ้าจะพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกโอ้โหญาณปัญญาจะไปเจาะปึ๊กปึ๊กป๊กปึกป๊ ก, ก, กแล้วก็จะเห็นความจริงในสิ่งนั้นได้เลย นี่เป็นอย่างนี้นี่คือความต่างอะต่อไปนะบางครั้งรู้สึกการกำหนดลมหายใจเข้าออกเพียงอย่างเดียวไม่พอยังคงมีอาการรู้นู้นรู้นี้อยู่ควรทำอย่างไรต่อไปเออคืออย่างนี้เหตุผลที่รู้เข้ารู้ออกเนี่ยไม่พอเนี่ยบ่งบอกแล้วว่าเมื่อสักครู่จริงๆถ้าสังเกตการตอบปัญหาเนี่ยจะเห็นชัด ออบางครั้งเรารู้ลมหายใจสั้นๆเข้าออกเข้าออกแล้วจิตมันว่างมันอยากจะไปรู้เรื่องอื่นด้วยอันนี้บ่งบอกว่าจะต้องพัฒนาต่อคืออย่างที่ได้บอกแล้วว่ารู้ยาวรู้สั้นนี่ยังให้รู้ยาวรู้สั้นหรือถ้ายังเป็นเบื้องต้นเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าการกระทบและการปรากฏของลมหายใจเข้าออกตามปกตินั้นน่นั้นกังคอยอะไรกาหนด ใส่ใจอยู่ที่ปลายจมูกหรือที่บริเวณริมพิปากเบื้องบนเมื่อลองบริกรรมในใจด้วยนะแล้วก็ลองบริกรรมในใจด้วยนะเบื้องต้นนะ่ะลมเข้าลมออกแต่ถ้าสามารถเพ่งได้โดยไม่จำเป็นต้องกำหนดในใจก็ไม่จำเป็นต้องกำหนดนะก็ให้เพ่งดูลมก่าวคือลมให้ใจเข้าออกเพียงตั้งสติไว้ก็พอแต่ถ้าทาเช่นนี้ไม่ไหวโยคีสามารถทาการกาหนดในใจว่าลมเข้าลมออกด้วยนะ ให้กำหนดในใจด้วยนะได้ซึ่งในการเพ่งตามที่ได้กล่าววันนี้อย่าเพ่งใส่ใจนะอย่าไปเพ่งหรือใส่ใจการกระทบของลมเท่านั้นแล้วก็อย่าได้เพง่งตามเพ่งลมที่เข้าไปด้านในของจุดหรือตำแหน่งที่กระทบให้สังเกตนะไอจุดเนี่ยนิยมในจุดที่กระทบใกล้ๆตรงนี้นะบางทีเนี่ยลมมันกระทบบริเวณตรงนี้จมูกเนี่ย ลึกต้องริมผีปากตรงนี้นะบางคนเวลาลมมันวิ่งพูดไเลยเข้าไปข้างในแล้วก็ตามเข้าไปข้างในได้ไหมได้ไม่ได้ตามเข้าไปข้างในด้วยห้ามเพราะอย่างนั้นจุดมันเคลื่อนจุดมันเคลื่อนอย่าไปเพ่งเฉพาะจุดกระทบเท่านั้นแต่ต้องดูลมด้วยนะจริงๆเป้าหมายจริงๆคือ ก, การดูลมแต่ต้องเห็นตำแหน่งที่ลมนั้นวิ่งกระทบด้วย ต้องเห็นด้วยงั้นเห็นลมกระทบเข้าทีนี้ไอจุดที่ลมกระทบเข้ากระทบออกเนี่ยให้สังเกตดูว่าโดยมากเราเราไม่ดูอย่างต่อเนื่องต้องดูให้ต่อเนื่องจนกว่าลมหายใจมันจะหมดเข้าหรือออกอ่ะจนกว่าจะหมดดูให้ต่อเนื่องคืออย่าไปตามเพ่งในด้านในจุดตำแหน่งที่กระทบตลอดถึงลมที่ออกมาด้านนอกด้วยนะ ตรงนี้ก็คือโยคีก็คอยเฝ้าคอยเฝ้านะจุดที่ลมกระทบและปรากฏแล้วก็เพ่งดูให้รู้ให้เห็นว่านี่คือลมเข้านี่คือลมออกอย่าสับสนกันนี่คือลมเข้านี่คือลมออกนะให้เฝ้าดูอย่างนั้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็เพ่งเพียงการกระทบรวนร้วน ก็จัดเป็นกรรมฐานชนิดหนึ่งนะถ้าเราไปเพ่งเฉพาะจุดกระทบรุนๆเนี่ยมันจะเป็นกรรมฐานอะไรตอนนั้นน่ถ้าไปดูจุดกระทบรวนๆมันจะเป็นกรรมฐานอะไรเออจะเป็นธาตุกรรมฐานกรรมฐานมันจะกลายต้องห้ามเพ่งณนะจุดกระทบรวนๆเพราะต้องดูอะไรดูลมลมกับจุดกระทบนี่เหมือนกันหรือต่างกันเหมือนหรือต่าง ย่อมลมกับจุดกระทบเหมือนกันหรือต่างกันต่างใช่ไหมฉะนั้นเราไม่ใช่ไปเอาจุดกระทบมาเป็นอารมณ์นะได้เอาอะไรเป็นอารมณ์ให้เอาลมที่เข้าและออกนี่เป็นอย่างนี้งั้นก็คือว่าตามเพ่งลมที่กระทบเท่านั้นจึงชื่อว่าอานาปนาสติกรรมฐานโยคยีจึงควรที่จะเฝ้าหรือเพ่งดูลมหายใจเข้าออกด้วยสติ จากจุดหรือตำแหน่งที่กระทบเท่านั้นนะจงใช้สติเหนือลมเหล่านั้นเอาสติอยู่เหนือลมเหล่านั้นอย่าให้เล็ดลอดไปได้อย่าให้เล็ดลอดไปได้ ด, ด, ไไ ด, ดีไหมการเจริญอานาปณะสติตรงนี้แหละที่มีความสุขแล้วก็ตื่นเต้นก็ตรงนี้แหละตื่นเต้นตรงที่เวลาลมมันเริ่มปรากฏเราตื่นเต้นมาก และยอมจะมีความสุขโอ้ยเป็นอย่างนี้เองเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่แห น, นึกยังไงเลยนะที่รัยนะโอก็ะพึงเคยเห็นนี่แหละโอในภาษาศาสนาของพระชินเจ้าเนี่ยมีอะไรที่ละเอียดซับซ้อนใช่ไหมหน่าใส่ใจน่ารู้หน้าเห็นจริงจริงยมไม่จริงไม่จริ ง, รงยอมจะมีความรู้สึกอย่างนี้เลย ตรงนี้ก็คือว่าในการเพ่งตามที่ได้กล่าวนี่ยก็ต้องทราบว่าหากจะให้ดีนะภาวนาจิตก็จะต้องตั้งมั่นในอารมณ์หายใจเข้าลมหายใจออกเบื้องต้นต้องติดต่อโดยอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงเนี่ยจิตไม่าพาดไปทางอื่นแปบลบว่าประสบความสําเร็จในระดับแรกแล้วครึ่งชั่วโมงเนี่ยนิ่งอยู่ใต้ลมนั่นแหละหรือหนึ่งชั่วโมงก็อยู่กับลมนั่นแหละไม่ไปที่อื่นเลยถ้าเนี้ย หายใจเข้าหายใจออกประสบความสาเร็จคำว่าโสสโตเธอมีสติหายใจออกมีสติหายใจเข้าตอนนี้เรายังไม่ได้เป็นโสสโตบุคคลนะสโตการีบุคคลนะเพราะยังไม่มีสติหายใจออกยังไม่มีสติหายใจเข้าใช่ไหมเขาเรียกสโตการีบุคคลบุคคลที่มีสติในการทำกรรมฐานทุกอย่างจะเดินก็รู้ลมเข้าลมออกจะนั่ง ก็รู้ลมเข้าลมออกจะนอนก็รู้ลมเข้าลมออกจะยืนก็รู้ลมเข้าลมออกเขาเรียกว่าสโตกาลีบุคคลอยากเป็นไว้แล้วบุคคลที่มีสติในการอยู่กับกรรมฐานทุกอย่างเลยนะทำกิจทุกอย่างด้วยการมีสติอยู่ ก, กรรมฐานอยู่ตลอดเวลาเลยน่าชื่นใจไหมถ้าอย่างนี้แล้วยมจะสามารถแยกแยะอารมณ์อะไรได้หมดเลยยมเคยคิดไหมว่าบางครั้งเนี่ย เสียงบางเสียงเราไม่อยากได้ยินแต่เราก็ห้ามจิตไม่ได้เลยซึ่งมีใครนินทาอยู่ข้างๆหูเราสามารถจะภาคจิตออกจากเสียงนั้นได้ไหมตอนนี้ได้ไหมไม่ได้เพราะเรายังไม่ได้ฝึกจิตนี่แหละจิตไม่อ่อนโยนเวลาเกิดความโกรธขึ้นมาเราสามารถจะภาคจิตออกจากความโกรธมาอยู่กับลมได้ไหมไม่ได้ เกิดกำนัดยินดีขึ้นมาอยากจะพากิตออกจากกำนัดยินดีมาอยู่กับลมก็ไม่ได้ง่วงเหงาหานอนซึมเศร้าอยากจะพากิตออกมาอยู่กับลมหายใจเข้าออกก็ไม่ได้ฟุ้งซ่ า, านลำคาญอยากจะออกจากนั้นมาอยู่กับลมก็ไม่ได้เสียงบน่นเสียงดา่าเสียงว่าเสียงชมทั้งหลายเหล่านี้มีอิทธิพลต่อใจสัตว์เหลือเกินเนี่ยเราไม่สามารถจะพากิตออกมาอยู่กับลมได้เลยอันนี้คือความกาความที่เราไม่เป็นสโตกาลีบุคคลนี่แหละ เราจึงไม่มีสติอยู่กับกรรมฐานตลอดเวลาใช่ไหมยอยากจะเป็นไหมยอยากจะเป็นบุคคลที่อยู่กับกรรมฐานได้ตลอดเวลาไหมล่ะแล้วจะมีความสุขมากตรงนี้ก็คือว่าเมื่อภาวนาจิตของโยคีนั้นเน่ยยังไม่สามารถตั้งมั่นอยู่ในลมคือลมหายใจเข้าออกตรงที่จิตก็ฟุ้งซ่านไปข้างนอกเนี่ยถ้าทำอย่างนี้ก็ยังไม่ได้ทางี้ก็ไม่ได้ต้องทายัางไงต่อไปคือการนับ อา้าวที่นั่งอยู่นี้ใครกําหนดแล้วฟุ้งซ่านบ้างยกมือทีอา้าวเอามือลงเอานับหรื อ, อยังได้นับลมไหมหายใจเข้าออกนับหนึ่งเข้าเห็นลมได้นะเห็นลมเข้าเห็นลมออกนับสองเห็นลมกระทบเข้ากระทบออกนับสามกระทบเข้ากระทบออกนับสี่ กระทบเข้ากระทบออกนับห้ากระทบเข้ากระทบออกหกกระทบเอ้ากระทบออกนับเจ็ดกระทบเข้าและออกนับ8แล้วก็มานับ1นึใหม่นับอย่างนี้แหละเป็นไปตามที่ลมเข้าและออก1นึ8งถึงถึงไปเรื่อยๆจนเกิดสติเป็นสมาธิตั้งมั่นอย่างต่อเนื่องอย่างติดต่อนักเข้าเมื่อนับอย่างนี้แล้วเนี่ย โยคีผู้ปฏิบัตินั้นก็จะเกิดสมาธิตั้งมั่นอยู่ในลมอย่างเดียวหายใจเข้าและหายใจออกเมื่อผ่านไปได้สักครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงทุกๆครั้งที่นั่งโยคีเห็นว่าจิตตั้งมั่นสงบดีแล้วก็สามารถจะสลัดทิ้งวิธีนับออกไปได้ทําแต่เพียงการเพียงรู้เข้าและรู้ออกแล้วก็ทดลองอธิษฐาน ให้สามารถนั่งได้ถึงครึ่งชั่วโมงหรือถึงหนึ่งชั่วโมงเป็นต้นหากวิธีนี้ดีแล้วก็ปรับเปลี่ยนหลักการต่อไปอถ้าทำอย่างนี้จนสมาธิตั้งมั่นแล้วต่อไปนี่แหละก็จะเข้าไปรู้ยาวรู้สัน้นเข้าใจอย่างแต่ถ้าวิธีแรกยังไม่ได้เลยจะรีบกระโดดไปยาวสัน้นแบกภาระห ไ, หไหวไหมไหวไม่ไหวไม่ไหวหนักเกินไป นั้นต้องให้นับจนสมาธิตั้งมั่นดีแล้วจนอธิฐานสามารถอยู่ได้ครึ่งชั่วโมงก็ได้พัฒนาไปถึงหนึ่งชั่วโมงก็ได้โอ้โหนี่คล่องแคล่วแล้วก็ต่อไปก็ทีคะลมหายใจยาวรัศสาลมหายใจเข้าแต่นี่นะขอเข้าใจอย่างนี่วิธีนับ กาบนมัสการพระอาจารย์การเจริญอาณาปณสติจะทำให้เราพร้นทุกได้อย่างไร <c oughs> เอาพุทธพจน์รับรองเลยดีกว่านะ <c oughs> ในพระพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่าการเจริญอาณาปณสติเนี่ย สามารถเป็นปัจจัยต่อการที่จะทำให้พ้นจากว่าจะทุกข์ได้พรนะพุทธเจ้าบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาณาปานาสติที่ภิกษุเจริญแล้วก็ททำให้มากแล้วย่อมยังเนยะ บาปอากุศลธรรมอันชั่วร้ายที่เกิดขึ้นแล้วแล้วเนี่ยให้สงบไปโดยพลันเหมือนฝนใหญ่ที่ตกในสมัยไม่ใช่ฤดูกาลยังฝุ่นละอองที่พุ่งขึ้นให้สงบราบคาบฉชนนั้นพระเจ้าบอกว่าภิกษุทั้งหลายอาณาปานสติที่ภิกษุเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วนี่แหละก่อนสัมโพธิเมื่อเรายังไม่ได้ตัดสู้ยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ก็อยู่ได้ไ ว, าวหารธรรม คืออาณาปานสตินี้แหละโดยมากเมื่อเรานั้นเป็นอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้โดยมากกายก็ไม่เมื่อยตาก็ไม่เหนื่อยและจิตของเราก็หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเข้าใจยางคือตอนนั้นยังไม่ได้ ต, ตัดสู้เนี่ยก่อนจะตัดสู้ยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่เนี่ยท่านก็อยู่ด้วยอาณาปานสติสมาธินี่แหละโดยมากเ ม, มื่อท่านมานสิการอยู่ด้วยอาณาปานสตินี้โดยมากนี่แหละท่านกายของท่านก็ไม่เหนื่อย กายก็ไม่เมื่อยรัชกายทุกส่วนไม่เมื่อยเลยแล้วตาก็ไม่เหนื่อยไม่ถลนไม่เจ็บไม่ปวดเส้นเอ็นทุกเส้นไม่เมื่อยด้วยและท่านบอกว่าและต่อมาจิตของเราก็หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายโดยไม่ ย, ยึดมั่นถือมัน่นก็แปลว่าอะไรเมื่อท่านเจริญอาณาปณสตินี่แหละเมื่อเจริญอาณาปณสติสมาธิที่มีกำลังแล้วสมานาปณสติสมาธิเนี่ยก็เป็นฐาน ต่อการแทงตลอดทุกขสัจจะตามความเป็นจริงที่ท่านนั่งประท้าที่ใต้โพธิบัลลังก์ที่ใต้ต้นศรีพระศรีมหาโพธิเมื่อท่านได้เอาอานาปนสติเป็นบาตรฐานแล้วท่านสําเร็จอานาปนาแล้วก็เอาอนาปนสตินอะไรเป็นฐานเมื่อเป็นฐานแล้วท่านก็ไปกําหนดรู้ทุกขสัจตามความเป็นจริงท่านก็เกิดยานปัญญาที่ไปรู้สมุทัยสัจจะตามความเป็นจริงแล้วก็เกิดยานปัญญาไปรู้นิโรธาสัจจะตามความเป็นจริง แล้วก็เกิดยานปัญญาที่ไปประชุมม า, ามารคสัจจคือศีลสมาธิปัญญาให้อบรมเต็มรอบตามความเป็นจริงเมื่อท่านได้แทงตลอดอริยรสัจ ส, สีตามความเป็นจริงจึงได้นามว่าสัมมาสัมพุทธะเห็นไหมถ้าสาวกของพทะเจ้าเนี่ยได้ฟังคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างนี้แล้วแล้วประพฤติปฏิบัติตามพระเจ้านี่เขาเรียกว่าเป็นสาวกะพุทธะก็คือรู้ อ, อริยรสัจสตามพระพุทธเจ้าตามความเป็นจริงตรงนี้ถามว่า พระเจ้าบอกว่าภิกษุทั้งหลายหากภิกษุหวังว่าหากโยคีผู้ปฏิบัติหวังว่ากายของเราจะไม่พึงเมื่อยตาของเราจะไม่พึงเหนื่อยและจิตของเราก็จะได้หลุดพ้นจากกามาสวะอาสวะคือกามจิตของเราจะได้หลุดพ้นจากทิฏฐาสวะอาสวะคือทิฏฐิจิตของเราจะได้หลุดพ้นจากภาวาสวะอาสวะคือภพ จิตของเราจะได้หลุดพ้นจากอวิชชาสวะอาสวะคือมืดบอดเธอทั้งหลายก็พึงเจริญอาณาปณะสติสมาธินี่แหละให้มากนี่พระเจ้าบอกไว้อย่างนี้บอกไว้ในไหนบอกไว้ในสังยุตตะนีกายมหาวัฒน์เล่มที่สิบเก้าโยมเล่มที่สิบเก้า เมื่อกี้ถามว่าอาณาปานสติสมาธิจะทําให้เราพ้นทุกข์ได้อย่างไรเข้าใจอย่างแต่เนี้ยว่าพ้นทุกข์ได้มหม ย, <c oughs> ยอมยังงงกันนี่เมื่อกี้พุทธเจ้าบอกอย่างนี้ใช่ไหมบอกว่าพ้นทุกข์ได้ใช่ไหมเ <c oughs> ชื่อพุทธเจ้าไหมเชื่อไหมเอาเชื่อแล้วนะ อย่างเราทําเราจะทํำยังไงตอนนี้เหตุผลที่เรายังไม่สามารถเจริญอาณาปณสติได้เพราะอะไรทําไมเราจึงเจริญอานาปณสติไม่ได้เพราะอะไรทําไมจึงไม่ได้เพราะอะไรยอมตัวเนี้ยเพราะอะไรนะ ได้อย่างหนึ่งก็คือเราอาจจะมีเวลาในการเจริญน้อยไปใช่ไหมและตอนเมื่อฟังอย่างนี้เราอยากจะเพิ่มศรัทธาไหมอยากไหม <c oughs> ตรงนี้ก็คืออย่างนี้นะว่าอาต่อจะจะไม่หมดเนาะเยอะเหลือเกินเนี่ย ลูกที่บวชภาคฤ ด, ดูแล้วแล้วซักจีวรไม่เป็นแต่ให้ปุพการีเช่นบิดามันดาซักให้ลูกที่บวชมาจะบาปไหมไม่บาปเป็นบุญ <c oughs> อันนี้ยยอมถามปัญหาดีจังทร <c oughs> าว่าที่ถือศีลห้าหรือศีล8ปดธรรมดามีลูกน้องเป็นแม่ชีจะใช้แม่ชีทำงานได้หรือไม่ มีเศษบาปหรือไม่ถ้าลูกน้องเป็นฆราวาสก็ถือศีลแปดหรือถือศีลแปดธรรมดาศีลห้าจะใช้ลูกน้องมีมีด้วยเลยใครเอาชีไปไว้ในบ้านแล้วใช้งานมีด้วยเลยไม่มีมั้งอย่าไปอย่าไปใช้ท่านเธอเธออย่างนั้นเลยว่าเธอเป็นนักบวชแล้วนี่ เ, เธอไม่ชีนี่ถือเป็นนักบวชอย่างหนึ่งนะพอออกจากเรือนเนี่ย ถือเป็นบํมเพนเน่ข ม, มะอย่างหนึ่งการออกจากเรือนเ็าเรียกว่าเป็นอนาคาริกเป็นผู้ไม่มีเรือนแล้วเนาะก็ไม่ควรเอาเธอมาไว้ในเรือนเพื่อจะใช้งานก็ไม่ควรไม่ควรกาเปรียนถามท่านอาจารย์หนึ่งข้อการตั้งความปรารถนาจากหนังสือสวดมนต์หน้าที่ร้อย 26ว่าไม่เข้าถึงฐานะเห็นความอาภัพ18อย่างมีอะไรบ้างกล่าวนะมัส ก, การอัฐฐานะมี18อย่างนั้นอยู่ในคมพีพุทธวงศ์เนาะอันนั้นสถานภาพที่พระโพธิสัตว์ที่ได้รับพยากรแล้วจะไม่ไปเกิดสถานภาพ18อย่าง18อย่างที่พระโพธิสัตว์ไม่ไปเกิดเนี่ยเข้าๆอย่างนี้ก็แล้วกันเนาะไม่ต้องไปไล่ทั้งหมดแล้ว ก็คือพระโพธิษัทหลังจากได้รับพุทธภรธรยากรแล้วเนี่ยเป็นเรียกเป็นนิยตะโพธิสัตว์เป็นนิยตะโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์จะมีสองประเภทประเภทอนิยตะโพธิสัตว์กับนิยตะโพธิสัตย์ยอมยอมว่าอในประเทศไทยเรานี่มีรูปปั้นพระโพธิสัตว์เยอะไหมอ้าวมีอะไรบ้างฮะ เอาที่เรานึกนึกออกตอนเนี้อา้าวอะไรว่ามาทีเจ้าแม่อะไรเนี่ยนึกแล้วจะต้องออกมาอย่างนี้ยอมอยากรู้ประวัติของเจ้าแม่กวนอิมไหมจะเล่าให้ฟังไหมเจ้าแม่กวนอิมเนี่ยไม่ใช่เป็นสายของเถรวาทเป็นสายของมหายานเกิดขึ้นหลังพุทธบรินิพาน ทีแรกจริงๆเนี่ยเกิดในยุคที่อินเดียประมาณเป็นพันปีแล้วเกิดมาที่แรกนี่มีอยู่สองภาคนะภาคชายกวนอิมและเจ้าแม่กวนอิมสองภาคแต่ภาคชายกวนอิมเนี่ยจุดไม่ติดจุดกระแสะไม่ติดแต่ไปต่อมาก็นี่แหละจากอินเดียก็เข้าสู่จีนก็ไปติดเจ้าแม่กวนอิม จากจีนก็มาเกาหลีเหนือเกาหลีใต้มาญี่ปุ่นมาไต้หวันว ก, กับมาประเทศไทยเ <c oughs> ขา อ, อยาให้ยังเออนี่เป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยที่จะได้รับพยากรณเนี่ยเมื่อเป็นนิยตตาโพธิสัตว์เนี่ยนะจะไม่เกิดเป็นหญิงจะไม่เกิดเป็นหญิงในฐานะสิบแปอย่างที่เราสวนดนอาถรรพ ท่า น, นคนที่เป็นพระโพธิสัตว์จะไม่เป็นหญิงเข้าใจนะถ้าเป็นหญิงจะเป็นพระโพธิสัตว์ประเภทอนิยตะไม่แน่นอนอย่างพวกเราเป็นผู้หญิงจะไม่รับพยากรนะถ้าตราบได้ปรารถนาะจะรับพยากรต้องเป็นชายต้องเป็นเพศบุรุษและเป็นชายเป็นเพศบุรุษอย่างเดียวก็ไม่ได้รับด้วยต้องออกบวชออกบวชอย่างเดียวก็ยังไม่ต้องได้ยังไม่พอกับการจะรับพยากรนะต้องมีสมาบัตแปเมียพิญญาห้า และมีสมาบัดแปดมีภิญญาหอย่างเดียวก็ยังไม่พอนะีต้องสามารถกล้าถวายชีวิตแด่พระเจ้าด้วยก็แปลว่าต้องสามารถทําบูชาที่ยิ่งใหญ่มอบกายถวายชีวิตแด่พระเจ้าได้อย่างเช่นสุเมธาดาบทสามารถนอนทอดล่างเลยแล้วให้พระเจ้าและสาวกพระเจ้าสี่แสนรูปเหยียบข้ามไปได้อธิษฐานกล้าขนาดนั้นเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นเข้าใจใช่ไหมท่านผู้นั้นจริงอยู่ในสถานภาพแห่งการที่จะเป็น พระโพธิสัตเป็นอนิจจตาได้รับพยากรจากพระพุทธเจ้าเป็นต้นนี่เล่าประวัติจะแม้คนอิมนิดหน่อยไม่ต้องเล่าเยอะกว่านี้แล้วมั้งนะเอาแค่นี้พอไหมอยากรู้อะไรเพิ่มไหมอันนี้ก็สรุปแล้วก็คือว่าหนึ่งพระโพธิสัตจะไม่เกิดหลังจากได้รับพยากรแล้วจะไม่เล็กกว่านกกระจาบ จะไม่เกิดถ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานจะไม่เล็กกว่านกกระจาบและจะไม่โตกว่าช้างนะแล้วก็จะไม่เกิดไปในเอเวจีมหานรกไม่ไปแล้วนิชามมาตันหิกเปดก็ไม่ไปนะไม่ไปแล้วาถามต่อไปเมื่อปวดเมื่อยมากยืนทาสมาธิหรือเดิน เดินช่องทางเดินตามช่องทางได้หรือไม่ก็บอกแล้วไงเดินก็ได้แต่ให้ดูลมนะอย่าไปคิดเรื่องอื่นนะแต่เมื่อเดินได้สักระยะหนึ่งแล้วก็กลับมานั่งพยาบทนั่งจะมั่นคงกว่านะแต่ถ้ามันปวดเมื่อยไม่ไหวจริงๆก็นั่นแหละไปเดินได้ยืนก็ได้วิธีคา คลายร่างกายก่อนจากสมาธิมีวิธีคลายร่างกายก่อนออกจากสมาธิหรือไม่จะคลายยังไงคลายยังไงคลายสมาธิก่อนออกอันนี้ใครใครถามปัญหายกมือทินีมีไหมพอรู้สึกว่าร่างกายแข็งเมื่อเช้า ท่านให้แผ่เมตตาบังคับกายไม่ได้จนได้ยินเสียงเ อ, อไม่ได้ยินเสียงไปพักใหญ่จึงลืมตาขึ้นอ๋อยอมเวลานั่งเจริญานานาปณสติอย่าไปนั่งกดอย่าไปนั่งเก็งนะเนี่ยนี่อาการอย่างนี้คือการนั่งเกงอย่าไปเกงให้นั่งแบบระบบผ่อนคลายที่สุดนะโยม อย่าไปเพ่งแรงขนาดนั้นให้นั่งแบบผ่อนคลายที่สุดเออยอมเคยไปนั่งแล้วดูดูทะเลไหมดูทะเลดูขึ้นทะเลที่มันขึ้นมันลงเคยไหมนั่นแหละการเจริญานาณาปณะสติมีความสุขแบบนั้นแหละเป็นธรรมชาติอย่าฝืนนั่งแล้วดูยิ่งมีความสุขยิ่งมีความเอิบอิ่ม แต่ถ้านั่งไปทุกข์แล้วเครียดวิตกกังวลแปลว่าผิดแล้วอนาปนาสติไม่ได้เป็นความทุกข์อย่างนั้นยิ่งนั่งยิ่งสงบยิ่งประณีตยิ่งสดชื่นคนที่ติดเล่มเกมถือว่าเป็นอบายามุกแน่นอนใช่ไหมคะพระอาจารย์ถามว่าบาว่าหากหมกมุ่นกับสิ่งใดสิ่งนั้นก็เป็นอบายามุกการดูข่าวการหมกมุ่นกับการดูข่าวการเมืองก็เป็นอบายามุกด้วย ดูละครก็หมกมุ่นก็เป็นอบายามุกอ้อนอันนี้ยอมมารบายนี่ไม่ได้ทำก็จัดว่าเป็นอบายามุกนั่นแหละนะคำว่าอบายอบายนี่แปลว่าเสื่อมมุกขาแปลว่าทางยอมทางแห่งความเสื่อมก็คือกุศลมันไม่เกิดยอมไปเกี่ยวข้องกับสิ่งใดเนี่ยแล้วเป็นเหตุทำให้บาปอากุศลธรรมที่ยังไม่เกิดมันเกิดขึ้นบาปอากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วมันไพบู์มันเจริญมันคอบงำมากขึ้น จิตใจก็หมกมุ่นในเรื่องนั้นมากขึ้นแล้วติดด้วยเป็นอบายมุกไหมเป็นปากทางแห่งความเสื่อมถือศีลแล้วตั้งสมาธิแล้วไม่รู้สึกเป็นทุกข์แต่ก็ไม่รู้สึกเป็นสุขหรือปกติอย่างที่พระาจันทร์เคยกล่าวควรทำอย่างไร <c oughs> ถือศีลแล้วนะทุกก็ไม่เป็นแล้วแต่มันรู้สึกเฉยๆใช่ไหมใช่ไหใช่ เออถ้าอย่างนี้ก็คืออันนี้แปลว่าเหตุผลตรงนี้ก็คือเราอาจจะไข้ควรน้อยเกินไปนะที่รู้สึกเฉยๆเนี่ยถือศีลแล้วเราไม่อยากยุ่งกับใครแล้วเราก็เริ่มมีโรคส่วนตัวแล้วอะไรแล้วเนี่ยตรงนี้ต้องพยายามไข้ควรอย่างนี้ว่ายอมเชื่อไหมว่าชีวิตของเราเนี่ย ในขณะที่เราไม่ได้สมาทานตั้งมั่นในศีลเป็นชีวิตที่เป็นชีวิตที่ไม่มีความสุขเลยนะอย่างที่ได้บอกว่าประเทศสลาดมีประเทศอยู่ประเทศหนึ่งนะที่มีที่ไม่มีกำลังกำลังทหารก็อ่อนแอแล้วก็มีน้อยด้วยแล้วก็มีโจรจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาลุกลาน ตามพรมชายแดนเต็มไปหมดเลยแล้วก็มาก่อความวุ่นวายส่งสายรับเข้ามาก่อจุลกรรมในบ้านเมืองมีการป้นสะดมบ้างมีการวางระเบิดบ้างเดือดร้อนประชาชนแขนขาดขาขาดตายทหารก็ตายประชาชนก็เดือดร้อนถามว่าพระราชาจะมีความสุขไหมคนเป็นผู้นําประเทศจะมีความสุขไหมไม่มีหรอกเดือดร้อนนอนก็ร้องไห้เป็นทุกข์ อะไรเนี่ยประเทศสลาศันจะเป็นเงี้ยโจนข้ามพรมแดนมาจะมาเข็นข้าเมื่อะไรก็ได้ง่ายเหลือเกินเนี่ยก็อุปมาเหมือนคนไม่มีศีลนะโยมเนี่ยกรารจักายเราคือประเทศหนึ่งหนึ่งประเทศตัวศรัทธาวิรยิยะสติสมาธิปัญญาเหมือนกับพระราชาที่ปกครองประเทศไอตัวเจตนา ค, คือความตั้งมั่น ในการที่จะรักษาศีลเนี่ยพอตั้งมั่นเหมือนกับกองเหมือนกับการวางกองกําลังพระราชาขึ้นมาบริหารประเทศนี้แล้วก็วางกองกําลังปิดล้อมชายแดนเขาไว้ป้องกันอลิราชแล้วก็ขับไล่โจรผู้ร้ายที่จะมาแยกดินแดนทั้งหลายเหล่านี้ยออกจากประเทศได้แล้วก็ปิดพรมแดนไม่ให้เข้ามาต่อมาโจรผู้ร้ายทั้งหลายการบอมการวางระเบิดการปล้นสะดมในประเทศนั้นก็หายไปไม่มี พระราชาขึ้นปกครองบ้านเมืองถามว่าพระราชาจะมีความสุขไหมมีไม่มีเอามีไม่มีก็มีความสุขนี่ฉันใดเมื่อบาปทางกายก็ไม่มีไม่ได้ไปฆ่าไม่ได้ไปลักไม่ได้ไปพูดผิดในกรรมทางวาจาก็ไม่ได้กล่าวเทศส่อเสียดคำหยาบเพื่อเจอ้คุณภาพทั้งจิตคิดไปทีไรก็ชื่นใจใช่ไหมคิดถึงการกระทำเมื่อวานก็ชื่นใจ คิดทั้งคาพูดสิ่งที่ทําคําที่พูดแม้วานนี้ก็ชื่นใจวานก่อนนี้ก็ชื่นใจวันนี้ก็ชื่นใจแม้วันไหนๆคิดไปทีไรก็ไม่เดือดร้อนใจเลยเพราะเราไม่เคยทําบาปบาปไม่เคยแปดเปื้อนกระแสชีวิตเราเลยยอมคิดอย่างนี้ยอมจะอยู่เฉยๆได้ไหมหรือมีปิติ <mas k> มีไม่มียอมรักษาศีลแบบนี้ไหมเล่าถ้าไม่รักษาศีลแบบนี้มันก็เฉยสิก็ยอม ต้องคิดดูที่ อ, าอ้าวโยนมองคิดไปที่เอะเมื่อวานนี้เราก็ทะเลาะอีกคนหนึ่งเมื่อวานก่อนเราก็ลักทรัพย์ของเขามาแล้วเมื่อวานนั้นเราก็เล่นมดตายไปสักเป็นร้อยตัวเลยเมื่อวานก่อนนี้ก็เล่นฆ่าปลาไปสักสี่ห้าตัวเมื่อวานนี้เราก็จัดแจงทั้งด่าทั้งโกรธคนนั้นมาเงี้ยถามถ้าคิดไปอย่างนี้จะชื่นใจมไหมมันก็ทุกข์ใจเห็นไหมแต่เราคิดไปเนะี่ยบาปทางกายก็ไม่มี บาปทางวาจาก็ไม่มีกายก็สะอาดวาจาก็สะอาดใจก็เป็นสุขพิจารณารอบด้านแล้วในการไหนไหนทำอะไรทุกอย่างพิจารณาอย่างนี้ใจเป็นสุขนี่ไงนี่เขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่ามันมีความสุขเพราะศีลศีลเกิดเมื่อศีลเกิดแล้วเนี่ยสมาธิก็ก็ตั้งมันนี่เป็นไปลักษณะอย่างนี้นะ โอ้โหยอมปัญหาเยอะจังแต่ดียอมได้ตอบให้หมดหมดเลยดีแล้วยอมยอมจะได้แต่ก็ดีนะยอมยอมถ้าตอบตอบประเด็นไหนยอมยังไ ม, ยงไม่ยังไม่พอใจยอมยกมือต่อเลยนะยังไม่บอก ว, วประเด็นที่นี่เมื่อกี้ยอมถามไปยังไม่ยังไ ม, ยงไม่ยังไม่ชัดเจนนะ รู้สึกฟังมากไม่สามารถดูลมต่อต่อต่อเนื่องได้นับยังไม่ถึงห้าก็หลุดอีกแล้วขอความเมตตาแนะนำวิธีให้ดูลมให้ต่อเนื่องด้วยย่ อ, ยอมลองช่วยยกมือหน่อยที่ว่าที่ยังยังกำหนดอาณาปณะไม่ได้เลย ที่ยังทำได้ไม่ดีเลยเอายกมือหน่อยที่ไม่เป็นไรยกมาเลยอ่าข้างหลังหนึ่งแล้วมีไหมที่ทำแล้วรู้สึกว่ายอมนับลมไหมเอยเดี๋ยวทำแบบเมื่อสักครู่ที่อธิบายวิธีการนับไปชัดเจนไหมชัดเจนแล้วนะยอมนะต้องการให้อธิบายตรงไหนต่อไหมจะได้ไปทำกันได้อย่างต่อเนื่องต้องการไหมไม่ต้องการอ่ะ อะไรนะอ๋อก่อนทําไงต่อใช่ไหมก่อนหน้านั้นที่ยังไม่หายเห็นลมอยู่ไหมเออคืออย่างนี้นี่แหละการเจริญอานาปณสติเนี่ยมันตื่นเต้นตรงนี้เลยยอม มันตื่นเต้นตรงที่เวลาบางครั้งเห็นลมบางครั้งลมมันหายไอ้ตรงนี้เป็นความตื่นเต้นมากเลยเอามาชอบแบบนี้นะชอบตรงที่ว่าไงแต่ถ้าไปคุยเป็นการส่วนตัวอามาจะคุยอีกอย่างแต่นี้มคุยบันทึกเทปเดี๋ยวคุยอีกอย่างเดี๋ยวไว้คุยส่วนตัวนิดนึงคืออย่างนี้การเจริญอาณาปนานสติเนี่ยสมาธิเนี่ยที่พระพุทธเจ้าบอกว่า ต้องใช้กำลังของสติและสัมปชัญญะที่มีกำลังขึ้นเรื่อยๆนะเหตผลง่ายอย่างนี้ก็คือว่าไม่ไม่ลมหายใจจะหยาบมันจะเริ่มเห็นได้ฉะนั้นตอนลมหายใจหยาบนั้นเราอย่ามัวเพลินเราให้รีบให้รีบใส่ใจมานสิการเพื่อให้สติมีกำลังสมาธิมีกาลังความเพียรประคับประคองให้เหมาะสม ถ้าเรามมวไปเพลินเรื่องอื่นนะเข้าพอนั่งไประยะหนึ่งระยะหนึ่งพอได้เหตุปัจจัยที่จะสงบใช่มหมเราให้ใจจะเริ่มละเอียดละเอียดปุด๊สติตามไม่ทันหายไปเลยเอา้าวถ้าหายไม่เป็นไรวิธีการอย่าตกใจอย่าไปมัวคิดเรื่องอื่นนะจุดที่เคยกระทบอยู่ตรงไหนจาไว้จุดที่เคยกระทบอยู่ตรงไหนให้จาไว้ ฉะนั้นให้ใส่ใจที่จุดกระทบต้องจำไว้ว่าเราเคยกระทบรอบๆรูจมูกหรือริมฝีปากเบื้องบนจำตำแหน่งที่เคยกระทบไว้ให้มั่นคงอุปมาเหมือนบุรุษคนหนึ่งไปไถนาก็ใช้วัวใช้ควายไปไถต่อมาไถนาเสร็จแล้วแล้วปล่อยโค ให้เข้าให้ออกไปหาหกินหญ้าในป่าโคมันหายก็ไปในป่าไม่ต้องไปวิ่งตามโคไม่ต้องไปวิ่งตามวัวมันไปที่ไหนไม่ต้องไปตามวัวให้นึกไว้ว่าวัวเนี่ยมันเคยลงไปเล่นน้ำที่ไหนเป็นประจําของมันน่ะก็ให้ไปคอยดูอยู่ตรงนั้นแหละฉะนั้นไม่ต้องไปตามเข้าไปในป่าไปนั่งรออยู่ ใ, ใกล้หนองน้าที่วัวมันเคยมาลงมนทุกวันนั่นแหละ เป็นนั่งคอยจ้องดูด้วยจิตใจเย็นตลอดเวลาไม่ต้องใส่ใจไม่ต้องนึกเรื่องอื่นเพียนประคับประคองสติเดียวที่จุดเดิมเดียวสักพักหนึ่งลมก็จะค่อยเด่นขึ้นเด่นขึ้นแล้วปรากฏขึ้นมาแค่นี้แหละเพราะมันไม่หายไปไหนหรอกลมนี่มันจะวิ่งไปเกิดที่หน้าผากได้ไหม <c oughs> จะวิ่งมาเกิดที่สะดือที่ท้องได้ไหมไม่มีหรอกมันก็มีที่นี้แหละใช่ไหม ก็ดูที่เดิมะแต่ดูด้วยจิตยังไงเจดจ อ, จอต่อเนื่องไม่ต้องไปทุกข์ใจไม่ต้องไปโกรธไม่ต้องไปหงกดหงิดทําจิตใจให้เ อ, อิบอิ่มง่ายนิดเดียวคนที่จะเจริญอาณาบรรพติให้ได้ผลอย่างรวดเร็วหนึ่งต้องเป็นคนเยิ้ยมแย้ยมแจ่มใสต้องเป็นคนล่าเริงฝึกตนเองอย่าเป็นคนหงอยเหงาเศร้าซึมและให้เป็นคน วางอะไรให้ง่ายอย่าวิตกกังวลเยอะเคยเห็นคนที่ชอบคิดสับสนวุ่นวายคนอย่างนี้จะเินอาณาบาณาสติไม่ค่อยดีนะต้องใช้เวลาเยอะนั้นให้เป็นคนยิ้มแย้มผ่องใสใจเลือล่อลาเลิงเบิกบานเข้าไว้และก็อีกอย่างหนึ่งก็คือให้เป็นคนเชื่อมั่นพระพุทธเจ้าเชื่อมั่นพราธรรมที่พระพุเจ้าทรงสแสดงแล้วจะประสบความสาเร็จได้ไม่ยาก ขอความกรุณ า, ธ า, า อ, อ, อธิบายการใช้จิตอธิบายการใช้จิตตรวจร่างกายก่อนนั่งดูลมหายใจอ๋อก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาเรียกว่าตั้งกายตรงอะ่ะก็แปลว่าผ่อนคลายทั้งหมด ยอมที่นั่งๆกันอยู่เนี่ยยอมคิดว่ามันร่างกายเนี่ยมันเกร็งไหมส่วนใหญ่มนุษย์เกร็งไหมร่างกายเครียดและเกร็งกันแทบทุกคนเพราะเราใช้จิตกันไม่ถูกมาเยอะวันหนึ่งวันหนึ่งฉะนั้นตรงนี้ก็คือต้องคลาผ่อนคลายทั้งหมดผ่อนคลายร่างกายทุกสัดส่วนเลยนะตั้งแต่ศรีรษะคอไหลหลังไลง่มาตามนั้น เออบางทีเนี่ยบางครั้งเนี่ยบางคนมันเกร็งเป็นหมดเลยนะร่างกายเกร็งมากต้องใช้กําลังของสมาธิผ่อนคลายผ่อนคลายไปแต่ละจุดแต่ละจุดผ่อนคลายเมื่อคลายทุกส่วนของร่างกายแล้วแล้วก็ดูความพร้อมของร่างกายทั้งหมดจึงค่อยมาดูลมในผ่อนคลายอย่างนั้นถ้ายังไม่ไหวขอลุกยืนดูลมไม่เป็นไรนะตรงนี้ได้ มาเลยถืเลยเล ย, เลยปนกันหมดเลยยอมไม่รู้อะไรเป็นอะไรอ๋อเมื่อกี้ถอดมาเลยอันไหนตอบไปแล้วบางก็ไม่รู้เนี่ยมันปนกันเมืกก่อกี้อ๋ออนาปนาสติการสติปฐานสี่แตกต่างกันอย่างไรนะเอออือหือนี่เรื่องยาวเลยเนี่ย ยอมอนาปานสติเนี่ยกับสติปัฏฐานสีอันเดียวกันอันเดียวกันเลยยมสติปัฏฐานสี่สติปัฏฐานสี่ถ้ายอมบอกว่าถ้ามีใครถามยอมว่าที่มาเจริญอานาปนสติในครั้งนี้กับการเจริญสติสสตปัฏฐานสีอันเดียวกันไหมต้องบอกเขาทันทีเลยนะบ่าอันเดียวกันกล่าวไว้ใ น, น, ใ, นในมัชฌิมานิกายมูลปานาต ในมัชฌิมนิกายอุปริปันธาต์มีเยอะหมดเลยโยมในทีคณิกายมหาวรชอีกเยอะหมดทั้งในสติปัฏฐานสังยุตในสติปัฏฐานสูตรในคัมภีราพิธรรมอันเดียวกันเลยโยมานาปนาสติเนี่ยก็คือสติปัฏฐานสสติปัฏฐานสี่ก็คืออานาปนสติเอา้าดูหลักฐานพระทิจ้าบอกดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ บอกว่ากายานุปัสนาสติปัฏฐานในกายานุปัสนาสติปัฏฐานนั้นมีอยู่14บับี่แบบสหมวด 1. อา่นาปนะบัปก็คือบัปการเจริญอานาปนะสองียาบทบัปคือการพิจารณาียาบท3สัมปชัญญะบาปคือการพิจารณาสัมปชัญญะ4อย่าง5ปฏิกูลมรรสิการบาบคือการพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อด้วยความเป็นของปฏิกูล4่ทาตุมาณหก ธาตุมนัิการบาปเพื่อการพิจารณาธาตุสี่คือดินน้ำไฟลมแล้วก็ป่าชายเ้าอย่างรวมเบ็ดเสร็จมีทั้งหมด14บับนี่คือกายานุปัสนาสติปฐานฉะนั้นอาณาปานาสตินี้อยู่ในกายานุปัสนาสติปฐานตานตา ม, ตามระตํารรมัตที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายอยู่อย่างไรเล่าเห็น ไ, ไหมนี่กายานุปัสนาสติปฐานบอกว่า พิสูพิจรารณาเห็นกายในกายอยู่อย่างไรเล่าภิกษูในพระธรรมวิ น, นัยนี้ไปสู่ป่าก็ดีไปสู่ควงไม้ก็ดีไปสู่เรือนว่างก็ดีหรือไปสู่ที่ปฏิบัติก็ดีเน่ยนั่งขัดสมาธิตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าเธอมีสติหายใจออกมีสติหายใจเข้าเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกสั้น ก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้นเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้นย่อมสำเหนียกว่าเราจะเป็นผู้กำหนดรูกองลมทั้งปวงหายใจออกย่อมสำเหนียกว่าเราจะกำหนดรูกองลมทั้งดวงหายใจเข้าย่อมสำเหนียกว่าเราจะระงับกายลมกายสังขารก็คือลมหายใจหายใจออกย่อมสำเหนียกว่าเราจะระงับกายสังขารกองลมก็คือลมหายใจเข้านายช่างกึงรู้ลูกมือของนายช่างกึงผู้ฉลาด เมื่อชักเชือกกึงยาวก็รู้ชัดว่าเราชักเชือกกึงยาวเมื่อชักเชือกกึงสั้นก็รู้ชัดว่าเราชักเชือกกึงสั้นแม้ชั้นใดภิกษุก็เหมือนกันฉันนั้นเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่ายาวหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าสั้นหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจออกสั้นแล้วก็รู้กองลมทั้งปวงหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็ระงับกองลมทั้งปวงหายใจเข้าหายใจออกดังพลนาหมันนี้ภิกษุ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 ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุนี้ชื่อว่าพิจารณาเห็นกายในกายอยู่นี่จบอานาปนาบัพนี่เป็นพุทธพจน์อ้าวเมื่อกี้บอกว่าอานาปนสตินี่เป็นสติปัฏฐานไหมเป็นหรือไม่เป็นในจตุกะแรกเป็นกายานุปัสนาสติปัฏฐานอานาปนสติในจตุกะที่สองเป็นเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานอานาปนสติใน จตุกะที่สเป็นจิตานุปัสนาสติปฐานอาณาปานสติในจตุกะที่สเป็นธรรมานุปัสนาสติปฐานสรุปแล้วก็คืออาณาปานสติมีอยู่16 16มิสีจตุกะ16อย่างก็คือกายเวทนาจิตและกระำอันเดียวกันไหมฉะนั้นถ้าถามว่า นี่คุณมาปฏิบัติที่ยุวพุทธคุณมาเจริญอะไรเราจะตอบเาว่าไงมาเจริญอะไรมาเจริญสติปัฏฐานหมวดไหนอาณาปณนะในหมวดของกายานุปัสนาสติปัฏฐานตรงหลักไหมนี่อย่างนี้เ็าเรียกตรงนี่อาณาปณะกสติปัฏฐาน ถ้าเวลานั่งสมาธิแล้วตัวสายไปสายมาต้องทำอย่างไรอ้าวใครนั่งสายไปสายมายกมือทีโอหนึ่งสองสามยอมที่สายไปสายมายอมเป็นพ่ออะไรเคยรู้ไหมตอนนั้นเรายอมลองลืมตาดูไหมแล้วมันมีความสุขไหมตอนที่สายไปสายมา เออถ้าเป็นอย่างนั้นนายยมตั้งสติไวๆนะอย่างนั้นแปลว่าไม่ถูกแล้วที่สายไปสายมาเนี่ยเคยด้วยนะบางคนเนี่ยนั่งไปเลยเคยเล ย, ยแต่เนีตลอดต้องฝึกดังที่ได้กล่าวว่าเหตุผลคือกำลังของสติอ่อนแอมากเลยนะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยพอเรานั่งปั๊บแล้วก็ลืมไปหมดแล้วปล่อยซึมๆไปแล้วแต่อะไรจะเกิด แล้วแต่กิเลสตัวไหนเกิดพระกิเลสตัวไหนเกิดมาก็มาเล่นแล้วโยกไปก็โยกมาบางคนหมุนอยู่อย่างนี้ตลอดเคยเห็นไหมเคยเห็นไหมสมาเนี่อยู่ในแวดวงนักปฏิบัติเยอะบางคนก็หมุนอยู่อย่างงั้นแหละเขาบอกว่าตอนนี้เขาได้ไอสภาวะแล้วเ <laughs> อย่าไปเชื่อเขายอมสภาวะไม่มีหรอกได้กิเลสเนะีอย่างงั้นนะั่นไม่มีสภาวะใดที่หมุนนะไม่มีใครบอกสมาธิหมุนสมาธิอะไรเนะ่ยยอมอย่าไปอย่าไปกังวลตรงนั้นมีอะไรหรอก นันตรงนั้นก็คือให้ตั้งสตินะตั้งสติแล้วก็กำหนดว่าเออนี่ไม่สมควรแล้วตั้งสติกำหนดว่าเ อ, อ๊ะตอนนี้เราไม่ใช่มาตอนนั้นให้สังเกตเธอตอนนั้นอ่ะการกำหนดหลุดไปหมดแล้วสังเกตดูไหมให้ดูลมไม่ดูแล้วไปดูที่อื่นไปหมดแล้วไปแล้วก็ปล่อยเพลินๆไปอย่างเงี้ยแปลว่าตอนนั้นหลงลืมสติแล้วก็ลืมตาขึ้นมาใหม่ก็ได้แล้วก็ตั้งสติใหม่ หรือทำยังไงก็หมุนทำไงก็หมุ น, มนลุกยืนเลยยอมลุกยืนกำหนดดูลมสักระยะหนึ่งค่อยนั่งลงไม่เป็นไรนะลุกยืนเลยก็ได้การนั่งสมาธิสักพักหนึ่งก็เคริมหลับแต่ก็รู้สึกตัวทุกครั้งจะแก้ไขอย่างไร <c oughs> ตรงนี้ ตรงนี้เนี่ยเวลาเวลาเราเจริญอาณาพณนสติเนี่ยนะให้สังเกต ด, ดูว่าจะต้องอาศัยสติและสมาธิที่มีกำลังเหตุผลตรงนั้นกำลังศรัทธาของเราก็ดีมันยังไม่แข็งแรงพอนะตรงนี้ต้องมีความเชื่อมั่นในคำสอนของพุทธเจ้าทีนี้เวลาเกิดเวลาเราจะประพฤติปฏิบัติ ในหลักของการเจริญกรรมฐานไม่ว่าจะกรรมฐานหมวดใดก็แล้วแต่เนี่ยโดยเฉพาะก็คือว่าจะต้องมีกำลังของความมุ่งมั่นค่อนข้างชัดโดยเฉพาะกำลังของฉันท่าเนี่ยบางทีมันอ่อนไปเนี่ยไอความพอใจความมีใจรักในการเจริญอาณาปณะสติเนี่ยความพอใจความใฝ่ใจต่อจุดหมายของสิ่งที่ทำนั้น แล้วก็อยากจะทำสิ่งนั้นให้สาเร็จอยากให้การเจริญสมาธินั้นบรรลุจุดหมายก็คือเมื่อรักในการเจริญอาณาปาณสติแล้วเนี่ยไอความรากักความใฝ่รักความปรารถนาต่อภาวะที่ดีงามต่อความเต็มเปี่ยมสมบูรณ์ของสิ่งนั้นก็คือปรารถนาที่จะทำขั้นการสมาธิสมาธิชั่วขณะอุปจารสมาธิสมา ธ, มา ธ, มาธิที่มีความแนบแน่นขึ้นแล้วก็อปนาสมาธิสมาธิที่มีความตั้งมั่นไม่หวั่นไหว ปรารถนาที่จะทํากําลังของสมาธิให้เข้าถึงจุดหมายปลายทางที่ดีที่สุดของมันเพื่อจะยางบาปปกุสรธรรมมันชั่วร้ายทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วแล้วให้สงบไปโดยพันธุถ้ามีความรักมีความศรัทธาเชื่อมั่นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยมันจะมีความเพียรที่สร้างสรรค์คอยประคับประคองเมื่อมีใจรักต่อสิ่งใดแล้วมันก็มอบใจให้เต็มที่เมื่อมอบใจให้เต็มที่แล้วเนี่ยมันจะไม่มีแล้นั่งง่อยๆ่อเงาเง า, งาหรือซึมซึมเศร้าๆจะไม่มีมันจะทําเต็มที่เลย เอาแล้วนี่ตอบปัญหามาหมดพอดีทุกปัญหาเลยเอาต่อไปให้ฝึกกันสัก10นาทีเพราะกายจะหมดเวลาแล้วใช่ไหมสิบอีก10นาทีหมดเวลาใช่ไหมฮะรออีกสี่สินาทีนะเอามีใครจะถามอะไรอาจารย์บอชเชิญอะลรเชิญถาม อ่มีไม้ให้ยอมหนะ่อยยอมจะถามใช่ไหมรอรอรลมีใครจะถามมั้ยมีมั้ยเมื่อกี้ไม่มีหรือไม่มีเลย <c oughs> อยรมที่ตอบปัญหามาทั้งหมดเนี่ยพอจะชัดเจนไหมเมื่อกี้ได้พูดถึงการหายใจเข้ายาวออกยาวเข้าสั้นออกสั้นนี่ยังชัดเจนนี่ยังชัดเจนนี่ยังเรื่องหายใจเข้ายาวออกยาวเข้าสั้นออกสั้นยังใช่ไหมต้องการฟังตรงนี้ต่อหน่อยไหม อา้าต้องการฟังต่อนอปนัญหาเยอะเลยก็คืออย่างนี้ยอมว่าในการที่เมื่อโยคีหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ว่าหายใจออกยาว เมื่อโยคีหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้นเมื่อโยคีหายใจออกสั้นก็รู้ว่าหายใจออกสั้นเข้ายาวออกยาวเขาาว้าสั้นออกสั้นเนี่ยก็คืออย่างนี้สั้นหรือยาวนั้นหมายถึงการเวลานีไม่ใช่หมายถึงขนาดหรือเส้นทรงสันฐานของลมแต่โยคีใช้เวลานา น, านในหายใจหายใจยใเข้าหายใจออกเนี่ย ก็ต้องทราบว่าลมหายใจยาวหรือสั้นก็คือว่าหายใจช้าหรือเร็วนั่นแหละทีนี้ในการกำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกเนี่ยสั้นหรือยาวเนี่ยต้องระวังอย่าพยายามสร้างลมให้ยาวอย่าสร้างลมให้สั้นนี่จาไว้อย่าพยายามสร้างลมให้ยาวหรือสร้างลมให้สั้นด้วยความจงใจที่จะให้ยาวหรือให้สั้น ต้องให้เป็นไปตามปกติเป็นไปตามธรรมชาติของแต่ละบุคคลสรีระของคนไม่เท่ากันลมหายใจของสัตว์โลกทั้งหลายก็ต่างกันกระตายหายใจสั้นหรือยาวเพราะอะไรเพราะอะไรอ่ะเพราะก็าหายใจเร็วกระตายจะหายใจเร็วมากปัป๊บปัป๊บ ป, ปตลอดเวลาเลยนะช้างอ่ะยาวหรือสั้นอ้าวช้างนี่หายใจยาวหรือสั้น ยาวติดสีล่าเขาใหญ่นนิใช่ไหมใช่ไม่ใช่ปอดเขาต้องใหญ่ไหมปอดก็ต้องใหญ่ไหมแต่ช้างปอดเท่านี้เราจะเชื่อไหมปอดก็ต้องอย่างใหญ่เลยใช่ไหมล่ะเวลาเขาหายใจเข้าหายใจออกก็ยาวก็สั้นต่างกันเบื้องต้นก็คือว่าอย่าอย่าไปตั้งใจที่จะหายใจยาวหรืออยไปตั้งใจที่จะหายใจสั้น ก็คือลมหายใจนั้นเป็นธรรมชาติถ้าหากว่าตั้งทําขึ้นมาแล้วเนี่ยเราไปทําขึ้นมาไปเมคขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นทำเป็นเหตุเป็นปัจจัยทําให้เสียสมาธิเช่นอา้าวตั้งใจหายใจเข้าลึกๆเนี่ยอย่างเงี้ยนะหายใจลึกๆหายใจลึกๆเนี่ยอันนี้ไม่ดีเขาเรียกมันผิดอะไรผิดธรรมชาติเพาธรรมชาติมันเหนื่อยแปบ๊บเดียวก็เหนื่อย ว่าเราจะต้องอยู่กับลมอีกนานไหมอยู่ตลอดอยู่ตลอดชีวิตประมาณ น, นเถอะลมหายใจไม่มีก็คือตายอ่ะแต่เรายังไม่ค่อยฉลาดในเรื่องลมเท่านั้นเองเบื้องต้นก็คือควรนพิ้งเพื่อจิตตั้งมั่นอย่างเดียวให้มีสติจะด้วยวิธีนับลมหรือด้วยวิธีการที่ไม่ต้องนับลมก็ได้เมื่อจิตตั้งมั่นแน่วแน่แล้วเนี่ยทีนี้ก็คือว่า ในการกำหนดลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนี่นะยาวหรือสั้นต่างๆในนี้ก็ให้ดูโดยความมีสติสัมปชัญญะนั่แหละกำหนดไม่ต้องไปกำหนดว่ายาวหรือสั้นแต่จำเป็นต้องกำหนดในใจก็ให้กำหนดเพียงว่าหายใจเข้าหายใจออกนี่ก็พอนะทีนี้ในการรู้ยาวรู้สั้นนั้นน่ะให้รู้เพียงแค่ความต่างกันระหว่างความยาวกับความสั้นนะไม่จำเป็นต้องไปวิเคราะห์วิจัยว่ายาวเท่านั้นยาวเท่านี้ไม่ต้องอย่างนั้น ถ้าอย่างนั้นมันจะมีปัญหาตามมาเยอะอย่าไปวิเคราะห์ก้อยเพียงรู้ว่านี่แหละที่หายใจช้าเนี่หเลกายาวอย่างนี้สั้นในความเพ่งในการทำจิตภาวนาทั้งหลายเกิดขึ้นให้แนบแน่นในลมหายใจเข้านี่หรือกมยาวหรือสั้นเนี่ยเป็นให้รู้เป็นชั่วโมงหรือเป็นสองชั่วโมงให้กำหนดไปอย่างนั้นจนเห็นตลอดนี่นะนะทีนี้ บนเส้นทางนี้หากโยคีเกิดเห็นแต่ความยาวตลอดการนั่งหรือเห็นแต่ความสั้นตลอดการนั่งอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะเช่นบางคราวเนี่ยเราอาจจะเห็นความยาวตลอดบรรลังเลยตลอดชั่วโมงเลยหรือตลอดชั่วโมงครึ่งเลยเห็นความยาวตลอดเลยนะ <c oughs> ก็ไม่เป็นไรแต่บางครั้งก็จะเห็นไอ้หายใจสั้นตลอดบรรลังเลยแต่โดยความเป็นจริงในเบื้องต้นเนี่ยมันสลับไหมบางครั้งก็ยาวบางครั้งก็ สั้นบางครั้งก็ยาวบางครั้งก็สั้นอันนี้เป็นธรรมชาติการนั้นก็คือยากที่จะสม่ำเสมอโดยเฉพาะผู้ปฏิบัติใหม่ๆเนี่ยยากที่ลมหายใจจะสม่ำเสมอสิ่งที่ควรใส่ใจพิเศษก็คือว่าหากลมหายใจเข้ายาวแต่ลมหายใจออกสั้นหายใจเข้ายาวออกสั้นจะพังหะไปข้างหลัง ถ้สังเกตดูผู้ที่ปฏิบัติเมื่อจิตเป็นสมาธิได้ระดับหนึ่งแล้วเนี่ยเมื่อลมหายใจออกนะสั้นแต่เข้ายาวมันจะพังะไปข้างหลังถ้าลมหายใจเข้ายาวเออออกสั้นแต่เออเข้าสั้นแต่ออกยาวจะพังหะไปข้างหน้าเข้าใจไหมอันนี้แหละที่สุดจริ ง, รงๆพระโยคีทั้งหลายถ้ารู้ว่าตนเองพังหะไปข้างหน้าบ้างพังะไปข้างหลังบ้างอยู่อย่างนี้ก็เพียรพยายามที่จะมีสติ ในการที่จะกำหนดแล้วก็ทำให้ติดต่อให้ต่อเนื่องแล้วก็วางจิตให้เป็นสมาธิให้ดิ่งที่สุดจริงๆเมื่อจิตมีกำลังดีเพียงพอแล้วลมหายใจก็จะเกิดความสมดุลเมื่อลมหายใจเกิดความสมดุลแล้วการนั่งก็จะไม่มีปัญหาแล้วพอเข้าใจหมตรงนี้นะนี่เขาเรียกว่ารู้ยาวและรู้สั้นสำหรับผู้ที่ สามารถรู้ยาวรู้สั้นได้แล้วเนี่ยต่อไปนี่แหละเมื่อเกิดการสมดุลของลมหายใจเข้าลมหายใจออกแล้วขั้นตอนต่อไปจกเป็นการรู้ตลอดสายคำว่ารู้ตลอดสายเนี่ยไอเบื้องต้นทํากลางที่สุดเนี่ยในการกําหนดนั้นเนี่ยให้พยายามใช้สติ กำหนดที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเพียงจุดเดียวนั่นแหละแล้วกำลังของสมาธิกำลังของสตินั้นน่ยก็จะตั้งมั่นอย่างติดต่อฉะนั้นสติที่กำหนดตั้งมั่นอย่างติดต่อลมได้อย่างแนบชิดนี่นะมีความเพียรสติก็ตั้งมั่นความเพียรก็ประคับประคองไอตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นตัวสังวรเขาเรียกเป็นสติสังวร เป็นวิริยะสังวรนี่แหละเป็นศีลเมื่อกําลังของสติมีกําลังสามารถดูได้อย่างติดต่อต่อเนื่องตรงนี้แล้วเนี่ยสตินี่แหละจะเป็นตัวปิดกัน้นไม่ให้นิวรธรรมทั้งหลายคือกามาฉันท่พยาบาทได้ทีนมิธาทั้งหลายเนี่ยไหลเข้าไปสู่จิตตรงนี้ก็จะปิดได้ตอนนี้จิตจะเริ่มสะอาดขึ้นแล้วกําลังของสติสังวรจะมากขึ้นกําลังของวิริยะสังวรคือความเพียรที่เหมาะสมจะมีกําลังมากขึ้น ตอนนี้การปฏิบัติก็จะเริ่มชัดเจนขึ้นเมื่อผู้ปฏิบัติได้กำลังตรงนี้ชัดเจนขึ้นแล้วนะได้กำลังของสติและของความเพียรได้ชัดเจนขึ้นแล้วบาปอคตศลธรรมอันชั่วร้ายทั้งหลายจะไม่ไหลเข้าสู่จิตปิดได้แล้วแปลว่าอะไรแปลว่าตอนนี้นายประตูนายประตูคือคนเฝ้าประตูคือสติ ก็จะปิดบาปอกุศลธรรมไม่ให้บาปอกุศลธรรมไหลโลภะก็ไม่ไหลเข้าสู่จิตโทสะก็จะไม่ไหลเข้าสู่จิตโมหะก็จะไม่ไหลเข้าสู่จิตตอนนี้จะเห็นได้ชัดว่าผู้ปฏิบัติกรายจะตรงตรงมากนั่งตรงและไม่ใช่ตรงแบบเกรงนะตรงแบบเบาเย็นแล้วก็สบายจิตก็จะโปร่งโล่งเพราะบาปไม่เข้าไปรบกวนก็จะปิดบาปได้ทัน ตอนนี้กำลังของอธิสีและสิกขาชัดส่วนสมาธิก็จะแนบชิดติดกับลมอย่างต่อเนื่องอย่างติดต่ออันนี้เขาเรียกว่าอธิจิตตสิกขาจะชัดมากเด่นมากพลังของสมาธิมากขึ้นเห็นตลอดสายเลยเห็นอยู่จุดเดียวนี่แหละเหมือนคนเลื่อยไม้โยมคนเวลาเอาเลื่อยไปเลื่อยตัดไม้เนี่ยดูที่ฟันของเลื่อยที่กระทบ ที่จุดเดียวอ่ะแต่มันเห็นทั้งหมดเลยเวลาดึงเลื่อยออกมาในฟันเลื่อยก็จะเห็นทุกทั้งหมดเลยพราะดูที่จุดเดียวนั่นแหละเวลาฟันเลื่อยที่เข้าไปก็จะเห็นทั้งหมดเห็นตั้งแต่ต้นนี่แหละฟืดเข้าไปทั้งหมดเลยใช่ไหมเห็นเข้าเห็นออกตลอดสายเลยแต่ดูที่จุดเดียวเท่านั้นแหละที่จุดที่ฟันเลื่อยกระทบกับไม้แล้วก็ตรงกับที่เชื่อสมัยก่อนก็จะมีอะไรขีดไว้ก็เห็นหมเขาเรียกว่าเป็นเขาใช้ถาน ให้ฐานนี่แหละชบุบกัเอาเป็นน้ําเนี่ยไปจุ่มกับไอเชือกหรือได้เงี้ยให้เป็นไม้เป็นดำดำแล้วก็เอามาตีเป็นเส้นให้ตรงยอย ม, ยมตีเป็นเส้นให้ตรงเวลาเลื่อยเนี่ยก็จะเลื่อยตรงแนวเลยไอเลื่อยนั่นก็จะกระทบกับไม้แล้วก็จะตรงกับไอที่รอยที่ขีดไว้ แล้วตาของผู้เลื่อยตัดต้นไม้เนี่ยตัดไม้ก็จะมองเห็นที่ฟันเลื่อยกระทบเข้ากระทบออกทุกฟันเลยแม้ฉันใดลมที่กระทบเข้ากระทบออกตลอดสายก็จะเห็นอย่างต่อเนื่องเห็นอย่างต่อเนื่องฉะนั้นกําลังของสติกําลังของความเพียรที่ประคับประคองกําลังของสติที่ระลึกได้อย่างมั่นคงปิดบาปไม่ให้โลภะโทสะโมหะหมุนเข้าสู่จิตอันนี้เป็นอธิศีสลสิกขา ปิดบาปอกุศลธรรมมันชั่วลายได้สมาธิที่ตั้งมั่นแนบชิดติดกับลมอันนี้เป็นอธิจิตตสิขาปัญญาที่รู้ชัดจัดเก็บได้ทุกขั้นตอนอันนี้เป็นอธิปัญญาสิกขาตอนนี้ศีล ส, สมาธิปัญญาเริ่มมีพลังแล้วก็ชัดเจนมากขึ้นผู้ปฏิบัติก็จะเห็นตลอดบางท่านนิมิตจะเกิดชัดเลยตอนนี้ อันนี้เป็นขั้นตอนที่สามเอาละก็บอกเราแค่ตรงนี้ก่อนใช่ไหมบอกยาวบอกสั้นแล้วแล้วก็มาบอกให้รู้ตลอดสายตอนนี้เราก็เอาเบื้องต้นดังที่ได้กล่าวไว้แล้วว่าผู้ปฏิบัติเนี่ยต้องมีกําลังของฉันทะอย่างแรงกล้ามีความรากักความปรารถนาอย่างแรงกล้านี่ ในการที่จะทำตัวอาณาปานาสติไอตัวฉันท่านี่แหละสามารถปลุกเราฉันทายเกิดขึ้นอย่างแรงกล้ารักในคุณค่าในคุณในความดีงามความสมบูรณ์ในสิ่งนั้นต่อจุดหมายในการที่จะทำอาณาปานาสติเพื่อเป็นปัจจัยแก่ความพ้นทุกข์ให้เต็มที่คนเมื่อเกิดความรักต่อการที่ปรารถนาจะพ้นจากวัฏจุกได้อย่างเต็มที่ก็จะทุ่มเทชีวิตจิตใจอุทิศต่อสิ่งนั้น ตรงนี้เมื่อเกิดความรักแท้ต่อพระรัตนตรัยมันก็จะมอบใจให้ให้สังเกตดูในสมัยครั้งพุทธกาลนะขนาดว่าสาวกของพระเจ้าในสมัยขั้งพุทธกาลยอมสละชีวิตเพื่อสิ่งนั้นได้เช่นพระเจ้ามาหากริน่เนี่ยยอมสละราชบัลลังก์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเลยนะพระเจ้าปกุสาตีเนี่ยพอได้เจริญอาณาบรรณสติแล้วก็สละราชบัลลังก์ เดินด้วยเท้าเปล่าถาวายเป็นพูทธบูชาแด่พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าพระเจ้ากับปุกุศลสติเนี่ยเดินจากอาฟกันนิฐานในยมปัจจุบันเนี่ยเดินไปที่ไหนเดินไปที่ฟรานมคตเดินไปที่อินเดียยอมลองคิดดูที่เดินด้วยเท้าเปล่ากลางคืนก็นั่งเข้าสมาธิจเจริญอาณาปณะสติกลางวันก็เดินเท้าเปล่าเดิมตามเกวียนไป อาศัยข้าวปลายเกวียนเนี่ยที่ชาวบ้านก็เอาให้เอาเลี้ยงมาอาศัยนั่นแหละจากเป็นพระราชาหม า, หากระสัทิง้งราชบัลลังก์เลยนั่นคือรักแท้อยอมพระรารักแท้เกิดขึ้นมาแล้วฉันท้าเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยกล้าทุกอย่างแหละอุทิศกายและอุทิศใจบูชาพระพุทธเจ้าโยมต้องปลุกราบกุศลฉันท้านให้เกิดขึ้นจริงๆถ้าไม่สามารถปลุกราบกุศลฉันท้เกิดขึ้นเนี่ยโยมก็จะไม่รักแท้หรอก เมื่อไม่รักแท้ต่อพระรัตนตรยัยก็ไม่รักตัวเองอย่างแท้จริงก็ไม่ได้ปราถนาให้ตนเองพ้นทุกข์อย่างแท้จริงพระเจ้ามหากปินาเนี่ยพอ ร, รู้ว่าพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นแล้วพระธรรมอุบัติเกิดขึ้นแล้วพรรารยสองอ์บัติเกิดขึ้นแล้วท่านก็ไม่กลับวางเลยนะชักขันม้ากลับแล้วก็ประกาศบอกอมรราชบริพานบอกว่าขอสารราชบาลังให้เอาสารที่ตัวเองเขียนเนี่ยไปส่งให้กับพระมเหสีด้วย ตนเองจะรีบไปเฝ้าพระพุทธเจ้ากลุ่มาหมัดอีกห้ารอท่านว่าเห็นพระเจ้าเป็นดินจะไปเฝ้าพระทเจ้าอย่างนั้นน่ะก็ทิ้งบุตรทิ้งภรรยาทิ้งทรัพย์เหมือนกันเจ้าขุนมูลนายในยุคนั้นนะ่ะทิ้งบุตรทิ้งภรรยาทิ้งทรัพย์หันมา้าขี่บนหลังมา้าวิ่งตามตามพระเจ้ามาหากรีนามุ่งหน้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทันที โดยไม่กลัวพยันอันตรายใดๆเลยนี่ไงรักแท้เป็นแบบนี้แหละยอมต้องสามารถปลูกเร้ากุศลแฉันท่าเหล่านี้มีความรักอย่างแรงกล้าเกิดขึ้นเมื่อมีความรักอย่างแรงกล้าเกิดขึ้นอย่างเนี้จึงกล้าทุ่มเทชีวิตและจิตใจในการที่จะเจริญอาณาปณสติเป็นต้นคณหนุ่มคนสาวมากมายในสมัยพระพุทธการนะอย่างเช่นญาติสากุลบุตรนี้เป็นต้นกษัตรวางสละทรัพย์สล่โลกามิตรออกบวช นี่คือฉันท่าในธรรมอย่างเราก็เหมือนกันก็สละบ้านเรือนมาแล้วเนี่ยมาปฏิบัติเนี่ยเจตวาดเหล่านีเน้เอาละวางปร่งพาไล่หมดแล้วก็สละกายและชีวิตถวายเป็นพุทธบูชาเจริญอาณาบรรณสติเต็มที่เลยได้ไหมทําได้ไหมถ้าอย่างเนี้ก็คือเกิดความทราบซึ้งในคําสอนพุทธเจ้าเนี่ยก็จะมีฉันท่าอย่างแรงกล้า ทีนี้พอมีฉันทานและตัววิริยะในความเพียรได้ แ, แก่ความอาถรร์ความกล้าความบากบัน่นใจสู้ไม่ยอ่อท้อไม่หวั่นกลัวต่ออุปสรรคและความยากลำบากของการเจริญานานานปณสติพอรู้ว่าสิ่งใดที่มีคุณค่าก่อความบรรลุถึงถามว่าการการที่จิตจะตั้งมั่นการที่จะแทงตลอดสัจจะสี่การที่จะพ้นทาลายกิเลสได้เนี่ยมันมีค่าไหม มีค่าต่อการที่จะบรรลุถึงไหมมีหรือไม่มีถ้ามีก็ทุ่มเทเลยใช่มมันก็ต้องการว่าจุดหมายนั้นบรรลุได้ยากมีอุปสรรคมากต้องใช้เวลานานเท่านั้นปีเท่านี้ปีก็ไม่กลัวตื่นเต้น อ, อุปสุภัทธะเนี่ยปริภาชกเนี่ยท่านเป็นนักบวชภายนอกไปเฝ้าพระเจ้า พอเกิดศรัทธาพอเกิดความเพียรที่จะปฏิบัติในพระศาสนาพระเจ้าบอกว่าเธอเนี่ยเป็นคนนอกนับถือรัฐีอื่นก่อนถ้าจะเข้ามาสู่ในศาสนาของพระชินเจ้าเธอต้องประพฤติปริวาสสีเดือนท่านเสนอตัวเลยบอกขอ4ปีท่านบอกท่านจะปฏิบัติ4ปีจนกว่าพระเจ้าหรือสาวกพระเจ้าจะเห็นสมควร นี่เสนอตนเองเลยนี่เขาเรียกวิริยะส่วนจิตตาก็มุ่งมั่นจดจ อ, จอเอาจริงเอาจังในเรื่องนั้นไม่ยอมพลากจิตจากสิ่งนั้นเดียวที่สุดก็ประสบความสำเร็จได้ปัญญาก็ฟันและแยกแยะวิจัยเอาละ<ม>เหลือเวลาน้อยแล้วเอาฝึกเจริญอาณาบรณาสติสมาธิ